ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธวัชชาเรื่องมูรณาการเศรษฐกิจบุญนิยมตอนที่สองโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่2ตุลาคม2545ที่สังฆสถานทักษิณอโศกเขาเชิญท่านติตราฝังได้นะบัดนี้ วันนี้เนี่ยอาตมาว่านะทั้งโลกเนี่ยหาทางรอดให้แก่สังคมของตนของตนแต่ละประเทศผทู้มีหน้าที่ที่จะดูแลทุกสุขหรือว่าความเป็นอยู่ของของประชาชนของตนของตนระดับรัฐระดับประเทศมาจนกระทั่งผู้มีหน้าที่ดูแลไปตาม หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบของจังหวัดของอำเภอของตำบลหมู่บ้านเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่ในระดับประเทศก็ต้องคิดกันหรือว่านักวิชาการนักคิดนักปราช์ต่างๆที่มีใจ คิดว่าเออสังคมมันน่าจะดีขึ้นอย่างนี้สิ่งนี้สูตรนี้วิธีนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาใช้กับสังคมได้ก็ช่วยกันคิดเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาตินัตมาว่าเขาก็พยายามกันอยู่อย่างจริงใจก็มีเยอะและก็ได้สูตรนั้นสูตรนี้มา ได้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้มากับพากันมาทำไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือว่าจะเป็นผู้ที่รับผิดชอบเป็นครวาดคิดในเรื่องของสังคมประชากรประเทศชาติอยู่โดยตรงคิดอย่างเดียวกันนั่นแหละคิดทางรอดของความเป็นมนุษย์ และมนุษย์รวมกันเข้าก็เป็นสังคมจะว่าไปแล้วสังคมก็ดีจะว่าทั้งคนทั้งโลกโลกนักวิจารณ์ปราดนักรู้ในทางโลกโลกก็คิดทางออกของสังคมส่วนรวมเราจะไปได้อย่างไรรอดอย่างไรส่วนนักธรรมนักบวชอาจจะหลงอาจจะหลงคิดไปว่า เอาทางรอดของตัวคนนั่นแหละแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละไม่ได้คิดถึงสังคมเอาแต่ละคนแต่ละคนความจริงแล้วผลของมันนะ่ะถ้านักคิดทางสังคมนะเขาก็ถูกคุณเขาคิดเพื่อสังคมนะ่ะมันเป็นการไม่เห็นแก่ตัวถูกแล้วนะทีนี้นักบวช หรือว่าผมเป็นกูบาอาจารย์ทางด้านนักบวชนักปฏิบัติธรรมมั น, มนอีกแขนงหนึ่งมันไม่เห็นแก่สังคมเลยจริงๆขแนวความคิดในหนึ่งเนี่ยทางฝากหนึ่งเนี่ยไม่มีผลต่อสังคมจริงๆเห็นแก่ตัวคิดแต่แก่ตัวได้บอกประโยชน์ตนเรียกว่าได้ประโยชน์ตน และตัวเองก็ไปดิวดิวดิวดิวไปเลยห น, นีไปจากโลกไม่รับรู้โลกไม่รับรู้สังคมไม่รับรู้ผลกระทบและตัวเองก็มีวิธีการตัดตัวเองออกจากส่วนที่จะไปกระทบเกี่ยวข้องกับสังคมทั้งหมดสําเร็จนี้ไปออกป่าเขาถ้ำสงบจิตนั่งสมาธิสะกดจิตไปลืมไปวันวันหนึ่งก็แขกินพออยู่ ให้ชีวิตรอดอกินขี้เยี่ยวตัดไปหมดตัดเรื่องกามตัดเรื่องโลกธรรมตัดเรื่องอะไรอะไรไม่มีกรรมกิริยาอะไรมากมายวันวันหนึง่งถ้าเป็นนักบวชบางชนิดก็บินธบาสเขากินให้คนอื่นก็เอามาให้กินนักบวชบางชนิดก็ทํากินเองออกป่าเขาทำแล้วก็ไปปลูกผักปลูกเผื่อมันอนะไรกินเองไปหาอะไรกินในป่าไป ตามเรื่องตามราวแล้วก็ตายทิ้งไปชีวิตตายทิ้งไปไม่มีประโยชน์อะไรกับสังคมเลยจะว่ามีประโยชน์โดยมุมกลับก็คือเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้คนอื่นศึกษาให้คนอื่นเห็นว่าอ๋อมนุษย์เป็นอย่างนี้ก็มีด้วยเว้ยมันหนี้อกไปเฉยเฉยอะมันเป็นคนไร้ค่าจริงๆงมันไม่ทำอะไรมันไม่เป็นอะไรมันไม่รับรู้อะไรแล้วมันก็เอาตัวมัน ไ, ไปทิ้งยิ่งกว่าก้อนดินก้อนหินน่ เป็นแต่เพียงว่ามีชีวิตก็รักษาชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆจนตายแล้วก็ตายทิ้งไปเปล่าๆมนุษย์อย่างนี้มีจริงแนวคิดอย่างนี้มีจริงแล้วก็เป็นมาแล้วก็ก็หลงาศาสนาพุทธทุกวันนี้มีแนวคิดอย่างนี้ผสมอยู่เยอะคิดว่าการที่จะหลุดพ้นโลกนี่ก็คือปนีเข้าป่าเข้าถํากดจิตไป แต่พุทธสอนเอาไว้ว่ามีประโยชน์ต่อสังคมพระพุชนะหิตายะพุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะอะไรเนี่ยเรือมีคําสอนอื่นๆที่เป็นคําสอนหมวดย่อยหมวดเล็กหมวดใหญ่อะไรอีกมีอีกเยอะที่มันแสดงบ่งบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้ทิ้งสังคมก็เลยอ่ะมีประโยชน์ต่อสังคมบ้างใครจะมาพบมาหาก็อา อวยพรใหเขาได้ก็อวยพรณ์เอาทิจใจนะทิจใจอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกทุกอย่างอ น, อนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ว่าไปปล่อยไปไห้ตัดเอาสุดยอดสุดขัวมาบอกนิดๆหน่นยนอยๆไม่มีกระจิกกระใจจะสอนไม่มีความรู้ในเรื่องของปรัชญาอะไรหลักเกณฑ์อะไรอะไรมากมาย มีแต่หยุดๆๆุอย่างเดียวดับอย่างเดียวหนีอย่างเดียวเพราะคนอย่างเหล่านี้ก็จะไม่ค่อยเข้าใจถึงปฏิสัมพัทธ์ต่างๆของสังคม Rela ทตฟ์ต่างๆของสังคมจะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจความสัมพันธ์ความสัมพัทอะไร อ, อะไรที่มันมีเกี่ยวเนื่องกันในมนุษยชาติมีผลกระทบต่อกันอะไรกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นอธิบายไม่ออกบอกไม่ได้ มีรายละเอียดซับซ้อนระเ ย, ยของพฤติกรรมมนุษย์จิตวิญญาณมนุษย์ความเกี่ยวข้องขอ ง, ขอ ง, ของทุกๆอย่างในมนุษย์ตั้งแต่วัตถุปรนตักระทั่งถึงจิตถึงกรรมถึงธรรมะไม่เข้าใจศา ส, สนาพุทธเอียงไปข้างที่หลง <c oughs> หลงผิดถ้าอย่างนี้ก็เถอะถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นไม่กระทบไม่เป็นผลกระทบต่อสังคม สังคมก็ไม่เดือดร้อนเพราะเขาเขาก็ไม่มีประโยชน์อะไรต่อสังคมนะไม่มีผลกระทบอะไรต่อสังคมเพราะก็ไม่ทาอะไรไม่มีอะไรที่จะมีะมปฏิกิริยาอะไรเงียบไปหนีทิ้งไปเท่ากับฝังไปยังไม่ขาดใจตายเท่านั้นเองถ้ายังอยู่เท่ากับฝังทิ้งไปคนหนึ่งนะชีวิตศูญเปล่าเป็นโมฆะบรุทธ แต่ผู้ไม่ได้อะไรเลยแล้วก็ไม่ทําบาปไม่ทําบุญอะไรเลยที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสประโมคครับบุรุษที่หมายก็ว่าคนศูญ์ปล่าหมายถึงในนยะอย่างนี้ในอินเดียมีเยอะสมัยโน้นมีเยอะเป็น <c oughs> คนเกิดมาศูนย์ปล่าปฏิบัติธรรมกันนี้เข้าป่าเขาทำอะรกันดับหาทางนี้ไปเงี้ยสูญเปล่านี่ก็ไม่ทําำบาปไม่ทําบุญไม่ทําำ เป็นคนกินกินขี้ๆเยอะๆไปยอเยแล้วก็ตายถึงวาระก็สุดท้ายตายที่นี่คนที่ปฏิบัติมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนมีปรารถนามีาศาสดาคิดอ่านหาทางว่าตนก็รอดสังคมก็รอดอันนี้ก็มีประโยชน์ต่อสังคมจริงโดยการรู้จักมนุษย์ นี่เป็นธาตุอะไรเป็นธาตุลาบยศสันเสริญเป็นธาตุโลกียสุพอรู้พอรู้นมีปาดมีศาสนามีศาสนาที่เข้าใจสิ่งเหล่านี้กันอยู่ทั้งนั้นแหละก็พยายามที่จะไม่เป็นผู้ถิ่นหลงในลาบก็มามาักน้อยสันโดษพยายามเสียสละแจกจ่ายมีให้น้อยเข้าไว้ แล้วก็ช่วยเหลือสังคมพยายามรับรู้สังคมรู้ปัญหาของสังคมช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่สังคมก็มีความรู้ความเข้าใจก็เป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ที่คบคิดเป็นผู้ที่หาทางที่จะช่วยเหลือเฟอื่องฟายสังคมมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีมีปรัชญาอะไรก็ออกมาใช้มาช่วยก็เป็นประโยชน์ต่อสังคม สำหรับส่วนตัวกับพยามที่จะเป็นคนที่ลดละมากน้อยสันโดษไม่ติดไม่ยึดอะไรโดยความหมายก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นผู้มากน้อยสันโดษได้เป็นผู้ไม่กอบโกยไม่เอาเปรียบเป็นผู้เสียสละได้จริงนี่เป็นหลักเกณฑ์กลางๆของาศาสนาทุกาศาสนาแหละ ทุกศาสนาเหมือนกันเข้าใจายอย่างนี้กันทั้งนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นผูดด้ใดปฏิบัติในเชิงนี้ก็ได้รับความเคารพนับถือได้รับความยอมรับของสังคมทั้งนั้นทําได้ดีมากก็ได้ยกย่องเชิดชูมากเป็นนักบุญเป็นอริยะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปยกย่องกันไปเรงว่าเป็นอริยะแต่ที่นี้จะเป็นอริยะหรือว่าจะมีความรู้ในเรื่องของจิต ของวิญญาณของจิตใจจิตวิญญาณนี่ยังถึงจุดสําคัญหรือไม่ศาสนาพุทธมีหลักตัดสินอยู่ตรงนี้การลดมากน้อยสันโดษลดตักกิเลสนั่นศนะาสนาไหนก็ลดจะเรียกกิเลสหรือไม่เรียกกิเลสก็พยายามกดขม่มพยายามไม่ให้มันมีบทบาทเข้ามาเป็นผู้ที่เอาเปรียบเอารัดเป็นผู้ที่โลภในลาบยศสันเสรอิอกรีสุขหรือยิ่งอบา ย, ยมุกขก็เข่าใจกันทั้งนั้น แล้วก็ลดละมาทั้งนั้นศาสนาใดๆก็เหมือนกันหมดศาสนาพุทธก็ด้วยแต่ศาสนาพุทธนั้นถือว่ามีทฤษฎีสำคัญทฤษฎีเอกคือทฤษฎีที่มีหลักเกณฑ์ตัดสินคือสังโยชน์0 <c oughs> <c oughs> หรือคำว่าอาริยะแต่เดิมนันใช่อริยะใช้อารอาริยะ อริยโลกุตระท่านใช้อริยโลกุตระเป็นเครื่องตัดสินและก็มีนิยามของอริยกับโลกุตระไปหลักเกณฑ์ที่แท้ก็คือสังโยชน10สังโยชน์10นั้นพวกเราก็คงพอรู้บางคนก็คงจะจำได้หมดถ้าเผื่อว่าไม่มีสังโยชนนี้ ในภาคปฏิบัติของแต่ละคนไม่มีปัญญายานอ่านออกอ่านรู้หรือว่ามีญาณมีวิชามีวิชาก้าวที่อ่านรู้สังโยชน์สิมีญาณมีปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาก็คือมีตัวปัญญานั่นแหละสูงกว่าปัญญาสามมันขึ้นไปก็เรียกว่ายานญาณทัศนะ์หรือวิปัสสนาญาณนิญาณเข้าไปรู้ รู้อะไรรู้ปรมัติรู้จิตเจตสิกแยกวิเคราะห์จิตเจตสิกออกไปจเจตสิกสก็มีเวทนาสัญญาสังขารอาการเขาเวทนาเป็นอย่างไรอาการของสัญญาเป็นอย่างไรอาการของสังขารเป็นอย่างไรโดยเฉพาะรู้กิเลกกิเลสที่สังขารอยู่ในจิตมีธรรมวิจัยสัมโพธชง มีการวิจัยทำวิจัยจิตปัญญาณนวิจัยในในจิตในเจตสิกนี่ออกว่าในสังขารจิตนี่สังขารจิตมีสภาพของอาการของกิเลสอาการลิงคะนิมิตอุเทศมีอาการมีความแตกต่างจากสิ่งที่เป็นอย่างใดอย่างอันนี้แตกต่างจากอันนี้มีลิงคะมี มีการแบ่งสภาพที่ต่างกันได้มีอาการมีลิงคะมีนิมิตมีเครื่องหมายบอกว่ามันต่างกันอย่างนั้นอย่างนี้มีเครื่องหมายชัดเจนเครื่องหมายบ่งบอกมีนิมิตบ่งบอกได้มีอุเทศมีหลักเกณฑ์มีคำสอนมีหัวข้อมีคาบรรยายที่เราเอามาใช้วัดใช้เปรียบของพระพุทธเจ้าของพระศาสดาของพระอาจารย์ ที่อธิบายไว้พุทธเทศที่ขยายความไว้มีเอาหัวข้อขึ้นมาสาธยายให้เราได้รู้ได้เข้าใจไว้เอามาเปรียบ ม, มาเทียบ ม, ม, ม, ม, ม, มาวัดสอดคล้องตรงกันกับคำสอนกับอนุสาสนีคำสอนของพระพุทธเจ้าคาสอนขอ ง, ของครูบาอาจารย์คำสอนของผู้รู้เอามาเทียบได้ตรงกันเพราะฉะนั้นมีญานที่อ่านนามมรทมแบ่งได้ว่านี่คือส ก, กายะ มีทิศฎีแห่งสักกายะเรียกว่าสักกายะทิฏฐิทิฏฐิหรือทฤษฎีคำเดียวกันมีทิศฎีแห่งส ก, กายะคือรู้จักตัวส ก, กายะอ่านได้ชัดเจนแม่นพ้นวิกิกิฉาพ้นความสงสัยลังเลและว่านี้ถูกต้องแล้วเป็นสัมมาแน่นอนสัมมาทิฏฐิถูกต้องมีทิศฎีนี้แล้วก็สัมมา สมาคือถูกต้องถูกท่วนแท้จริงสมานี่แปลว่าแท้จริงถูกต้องถูกท่วนโดยชอบโดยควรโดยเหมาะคําว่าสมาเพราะเห็นอันนี้จริงรู้จักสักกายะสกายะคืออะไรคือตัวตนแปล ก, กันกลางคว่าตัวตนคือสภาพสภาพหนึ่งของนามธรรมาสภาพอะไรสภาพกิเลส นี่คือราคะนี่คือโทสะนี่คือโมหะนี่คือมีอาการบอกอยู่เลยมีนิมิตมีเครื่องหมายบอกนี่รู้เลยนี่มีลักษณะบง่งบอกของมันมันมันแตกต่างกับอย่างโน้นราคะมันแตกต่างกับโทสะโทสะมันแตกต่างจากราคะหรือว่ามันแตกต่างจากจิตกิเลสมันแตกต่างจากจิตจิตมันตัวรู้เท่านั้นเป็นความรู้เท่านั้นรู้ยิ่งรู้จริงยิ่งขึ้นก็คือรู้ รู้ชัดรู้เจนยิ่งขึ้นก็คือรู้คือยานคือปัญญาคือความรู้คือการกําหนดรู้คือการเพ่งรู้สาคัญมั่นหมายเขาไปรู้อย่างยิ่งยิ่งอะไรก็แล้วแต่อาการของจิตก็มีหน้าที่รู้เท่านั้นเองไอ้นี่มันไม่รู้เชยเฉยมันจะเอาอะมันจะฆ่ามันผลักมันดูดมันชิงชังมันชอบมันอะไรก็แล้วแต่มีอาการต่างกัน อ, อาการนี้มันไม่ใช่รู้เฉยๆนะมันเป็นใจรู้ยิ่งรู้จริงกลางๆนะมันรู้แล้วไม่มีอาการข้างเคียงแรงซะด้วยนะนอกจากแรงแล้วมันบังคับให้เราเองบ้าไปกับมันด้วยนะนะไอรักคนนี้มแต่เขามีผัวไปรักคนมีผัวอะไรเงี้ยก็ฆ่าผัวมันเสียเอาเมียมันมาอ่านอนมันสั่งการ อะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้ธรรมดามันรู้แล้วมันมีเรื่องมันมีเรื่องมากมันไม่เรื่องมากมันดีง่ายถ้าดีง่ายแล้วไม่เรื่องมากอันนี้มันดียากมันเหมือนเรื่องมากมันดียากพวกเรื่องมากนี่ดียาก ดีง่ายมันไม่เรื่องมากเพราะมันเข้าใจมันเห็นมันรู้แล้วมันก็มันเข้าใจละเอียดคือมันมีธรรมวิจัยสัมโพธิชนมันพ้นวิจิกิจฉามันวิจัยอะไรออกชัดเจนมันมีความภาคเพียรพยายามที่จะประพฤติตามหลักพระเจ้าว่าให้พยายามนะให้เกิดยานให้เกิดอ่านการอ่านพยายามฝึกฝึกให้เกิดยานฝึกให้รับรู้มี สังวรแล้วก็เรียนรู้ทำไปกระทบสัมผัสอย่างไรแล้วก็อ่านกายวาจาใจอ่านกายเวทนาอ่านจิตอ่านธรรมนี่เป็นหมวดสูตร ย, อย่อยๆของาศาสนาของพระพุทธเจา้ามีคำสอนต่อเนื่องไปอีกเยอะแยะเลยนะแล้วก็จะเราก็เอามาใช้ประพฤติธปฏิบัติแล้วสรุปก็คือรู้จักสังโยรู้จักสกายทิฐิรู้จัก นอกจากรู้จักแล้วท่านบอกว่าพ้นสักรรากายะกข้ามาครับว่าทำให้ตัวตนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปไม่อยู่คงเดิมเรียกว่าไม่เที่ยงแท้นะให้เทียเ่ยงหรือว่าให้เปลี่ยนแปลงไม่คงเดิมไม่คงที่ไม่ยึดมัน่นถือมั่นไม่ดีไม่ดีก็มากขึ้นโตขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรลักษณะอาการของมันอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างที่อาตมาอธิบายหมดแล้วให้จางคลายให้ลดลงจนกระทั่ง มันหมดบทบาทหมดลีลาดับอาการไม่มีอาการไม่มีตัวตนไม่มีสภาพนั้นอีกก็ทำพิสูจน์เพราะในสังโยชน์สักจ ะ, ะทิฏฐิวิจิกิจชาสีระพตปรามาตมีหลักเกณฑ์สำหรับตนเหมาะควร เพราะศาสนาพุทธนั้นทําให้เหมาะสมตามฐานะเราเท่านี้เราก็สมาทานหลักเกณฑ์เท่านี้อันอื่นเป็นกิเลสที่เรายังไม่ไห ว, ไหวแล้วอันนี้มันเรายังรับรองว่าเรามันยังต้องเอาไว้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเราก็เลือกเอาแต่ละบุคคลตามที่เราจะทําได้เราแน่ใจว่าจะทําได้และดีเพราะมันเป็นพิษเป็นภัยกับเราปัจจุบันนี้หรือว่ามันสามารถทําได้ก่อนอะไรก็ตามใจเราก็ต้องเลือกเฟ้น เพระเมื่อเรามีศีลแล้วเราก็ปฏิบัติดีกว่าพราศีลศีลปัตตะปัตตะก็ะกคือพราะคือการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติตามหลักการของพระเจ้าจนพ้นปรามาสพ้นการแค่ปฏิบัติไม่เอาจริงทำหล่อหล่อแล่แล่ทำ แ, แ, ทแค่แคลกลบแกลบคลำคลำทำแค่จับจับจดจดเล่นเล่นหัวหัวอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขั้นถึงขีดมันไม่ได้มักได้ผล ถ้ามาทางนี้ก็เรียกว่ารู้สัมมาทิฏฐินะอ่านจิตอ่านวิญญาณมีปัญญาอ่านเจตสิกออกพนมิจฉาทิฏฐิที่ท่านตรัสไว้ในมิจฉาทิฏฐิสูตร น, นะพระิกเล่ม18ข้อสที่ท่านตรัสไว้ว่ามีภาษาเป็นปัจจัยแล้วก็สามารถที่จะเห็นในความเป็นอนิจจัง รู้เกิดปัญญาญาดูโดยความเป็นอนิจจังนะรู้จักเวทนารู้จักภาษะความเกี่ยวข้องทั้งหมดนะ่นะอ่านสูตรนะั้นดีๆมีภาษาเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีวิญญาณมีเวทนารู้จักเวทนารู้อารมณ์แยกวิเคราะห์อารมณ์ออกซึ่งอาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วเวทนาลอยมาจากไหนอะไรมีต้นรากต้นเงาอะไรรู้หมดถ้าเราอ่านถ้าเราศึกษาตามพระเจ้าได้เราก็จะย่างเข้าไปรู้รากเงา ถึงต้นเหตุสมุทยัยอริยสัจแล้วก็ดับตัวถูกตัวมันทำมันจางคลายได้วิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีทําไปตามลาดับได้จริงๆเลยพ้นศิริปตะปรามาศแล้วก็ได้ผลไปเรื่อยๆเพราะ้นหลักเกณฑ์แรกสามสังโยชน์แรกจึงเป็นตัวที่ทําให้ได้มักได้ผลที่มียานรู้ว่าเราทํารู้เป็นปัจจตังเวทิตโภวิญยูหิรู้ด้วยตนไม่มีใครบอกเราเราต้องมียานมียานมีวิชา มีฌานมีวิปาาัสสนาญาณมีมนโนมยิทธิมีวิชาเก้านะมนโนมยดิธิก็คือสามารถทําให้จิตมีผลสําเร็จในการที่จะทําให้กิเลสมันลดได้จนเก่งเป็นมีวิธีมีอิทธิวิธีต่างๆนะอิทธิวิธียังไม่น่าเชื่ออิทธิวิธีจนเกินเชื่อเป็นปาฏิหารแต่ไม่ใช่อิทธิปาฏิหารอิทธิวิธีเรียกว่าอิทธิจริงๆ พยัญชนะก็บอกว่าอิทธิเป็นฤทธิ์เป็นแรงเป็นความสามารถที่เกินอิทธิเนี่ยมีฤทธิ์วีเดชมีฤทธิ์ภาษาสันสกฤตก็บริภาษาบาลีว่าอิทธิภาษาสันสกฤตว่าฤทธิเป็นฤทธิ์เป็นเดชจริงๆเพราะใช้คําว่าฤทธิ์เนี่ยคนไทยรู้ดีเพราะคําว่าฤทธิ์นี่แสดงว่าถึงน้ําหนักมีประสิทธิภาพเกินปเกินสามัญนะมันมีฤทธิ์จริงๆมีวิธีต่างๆที่มีฤทธิ พระเดศสกถ้าศาสนาพุทธก็คือตามอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารคือฤทธิ์คือเกินมนุษย์และปาฏิหารตามคำสอนไม่ใช่ปาฏิหารไปห่อเหินเดินน้ำดำดินอย่างที่คนอื่นเขาชอบไปในทางฤทธิ์พิเศษพิเศษแปลกๆปกไปนะ่นไม่ใช่เพราะอา น, นิบุริจจาปฏิเสธแล้วแต่คำสอนของท่านนั้นคือมาลดนะทุกข์อริยสัจเนี่ย หรือว่าเหตุแห่งทุกข์ที่ชัดเจนเพราะมโนมยิทธิอิทธิวิธีเนี่ยมโนมยิทธิกับมโนมยะอิทธินั่นแหละอิทธิมโนมยิทธิมีฤทธิ์ที่จะทําให้สําเร็จทางใจและก็ฤทธิ์ของมันมีวิธีต่างๆที่มีฤทธิ์ในมีมีวิธีต่างๆที่สามารถทําให้มันลดละจางคลายได้ดียิ่งขึ้นตา่ตางๆนานาอย่างแหมอย่างก็โหแทบไม่น่าเชื่อคนธรรมดาทําไม่ได้จึงเรียกว่าเป็นสิ่งพิเศษ มีโสดทิพย์มีอะไรแต่ใดมีข้อต่างๆเสริมหนุนเข้าไปก็เป็นองค์ประกอบของวิชาความรอบรู้โสดทิพย์สามารถรู้แม้มันจะละเอียดละออมันจะแฝงจะส่อนจะไกลจนเล็กอะไรจะละเอียดอะไรไงก็สามารถรู้ได้แล้วก็มีการกําหนดรู้ไปได้เหมือนได้ยินกลองในที่ไกลได้ยินเสียงจากที่ไกลแม้มันจะไกลอย่างไรก็สามารถได้ยินได้ อยอ่างแล้วก็รู้ด้วยแยกวิเคราะห์ด้วยวย่าเสียงที่ได้ยินมานี่ว่าอันนี้เป็นเสียงกลองนี่เป็นเสียงตะโพนี่เป็นเสียงเปิงมามีความรอบรู้แยกแยกออกได้แบ่งออกได้เลยว่าอันนี้มันอยู่ตระกูลไหนอั น, นี้มันลักษณะอะไรนี่เป็นเพศไหนสามารถแยกออกว่านี่เป็นราคะนี่เป็นสายตระกูลโทสะตระกูลโมหะเป็นราคะมูลโทสะมูลโมหะมูล แล้วก็จะมีลูกของมันด้วยว่าราคะอย่างไรอ่อนแก่ตระ ก, กูลของมันก็ยังแบ่งแน่แบ่งอะไรอะไรละเอียดละออ ง, องไปอีกโทสะก็เหมือนกันโมหะก็เหมือนกันอะไรอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามีความพิเศษมีวิชาที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกมีสิทธิพยาโสดหรือโสดทิพย์ไม่ใจอยู่ก็ได้หูแว่วได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่อะไรน น, น, นโรคประสาท นะแม้ได้ยินเสียงคนนั้นคนนี้พูดคนนั้นคนนี้มีหูทิพยนะ์ได้ยินอะไรอะไ ร, ร, ร, รต่างๆพวกนี้เพราะโลภศาสตร์ส่วนใหญ่พนะาซื่ออ่านธรรมะของพระเจ้าแล้วก็พาซื่อหูทิพย์ทิพย์โสตนะหรือมีเจโตปริยญาณเางี่ยมต้นก็สามารถวิเคราะห์ออกเจโตปริญาณสิบหอตมก็พูดอธิบายไปหมดล้ จนกระทั่งตแต่สราคะสะโทสะสัโมหะอวิตรราคาวิตรโสจนกระทั่งถึงวิมุตต์อวิมุตต์สิบหกคันรู้จิตจริงๆแบ่งจิตออกเลยในจิตนั่นแหละกิเลสก็อยู่ในจิตนั่นแหละราคะโทสะโมหะก็อยู่ในจิตทําได้ดีขึ้นดีขึ้นขนาดไหนเป็นขั้นๆขั้นๆขั้นๆขั้นๆไปตั้งแต่สังคิตตะวิคิตะมหะมหคตะอะมหาตะอะไรไปจนกระทั่งถึงสัจจตังอานุตตรจิตตัง ไปเรื่อยๆจนถึงสมาิตะอะสมาฮิตะบีมุติอาบีมุตดไปถึง1616 16อย่างที่ท่านตรัสไว้ชัดเจนพระเจ้าท่านแบ่งไว้เนี่ยพยัญชนะต่างๆพวกนี้เนี่ยมันมีสภาวะรองเราเพื่อปฏิบัติจริงเราก็จะรู้ว่าโอ้เสียงเหล่านี้มันมีจริงทั้งนั้นพระพุเจ้าตรัสไว้เนี่ยมันมีสภาวะของนามาทำทั้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงๆมีวิชาจริงๆนะทุกคนจะต้องรู้มากน้อยก็ต้องมีตัวความสามารถพวกนี้ ถ้าไม่มีความสามารถพวกนี้คุณก็ไม่รู้ยิ่งรู้จริงด้วยตนเองไม่ปัจจตังเปทิตโภเปยหีให้คนอื่นรู้แทนหมดแล้วมันจะจริงตรงไหนเราคนอื่นรู้มันจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้บอกไปโดยภาษาพยัญชนะอยากจะให้อาจารย์รับรองว่าเออใช่ใช่แล้วก็พูดไปพราปัญญาความรู้ถกกะเรามีใช่ไหมเรียนภาษามาพูดไปจริงบั่งไม่จริงบ้างบอกอาจารย์ป้อนอาจารย์อาจารย์เออใช่ตัดสินให้ถูกแล้วล่ะยังนั้นใช่แล่ะของของของคุณถูกแล้วล่ะก็เราบอก ข้อมูลไปโดยที่เราเราอยากให้อาจารย์ตัดสินให้ว่าเราบรรลุธรรมหลุดญานนนแล้วพ้นยานนี้แล้วอะไรนี่เราอยากให้อาจารย์ตัดสินให้ว่าเา น, า น, น, น, น, า น, นี่นาายโอ้นี่บรรลุญานหบนรรลุญานแบนร 9, บรลุญาณเก้าบรรลุญาณสิหกอแล้วแต่นะเพราะั้นเวลาก็ป้อนข้อมูลให้อาจารย์อาจารย์ก็ตัดสินเราถูกเพราะเราลำเอียงก็ข้างตัวแล้วมันก็ไม่ค่อยแม่น จริงๆมันก็คือเราเองเราลวงตัวเองเราหลอกตัวเองว่ามันแม่นมันต้องมียานที่ชัดเจนยานที่อ่านความจริงตามความเป็นจริงเออมันใช่ในอาการอย่างนี้อาการลิงคานิมิตอุเทศอย่างนี้อย่างนี้นะมีเจตโตปริยานและกระทบโทนด้วยเตวิชโชทุกคนพยายามใช้เตวิชโชนี่เป็นเรื่องของการที่รู้จักจิตรู้จักคุณธรรมที่มนุษ จะต้องฝึกฝนเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ฝึกฝนตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะสังโยชน์ต่างๆจากสังโยชน์สไปก็เป็นสังโยชน์ที่เก็บละเอียดประโยบทั้งครบนะระบุตัวชื่อกิเลสไปเลยระบบสังโยชน์ที่4ก็การมาราคะสังโยชน์ที่5กับปฏิฆะก็คือราคะโทสะนั่นแหละตระกูลใหญ่ๆนั่นแหละโดยไม่หลงผิด ไม่หลงเหลือไม่ไม่หลงลืมไม่หลงผิดไม่หลงลืมไม่ไม่หลงเหลือไม่หลงไหลไม่หลงไหลก่อนไม่หลงไหลไม่หลงเหลือไม่หลงตัวหมดตรวจสอบจนกระทั่งอ่านจนเกลี้ยงจนสิ้นในปัจจีบพวกนี้เป็นเรื่องของเป็นภาวะของจิตแล้วก็สร้างให้เป็นคุณธรรม เพราะมาโนปุพังคมาธรร ม, มามาโนเสตามาโนมยาพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าอันนี้เป็นตัวประธานสิ่งทั้งปวงในความเป็นมนุษย์โลกเมื่อวานเนี่ยอาตมาได้เทศไปแล้วถึงอุตตุพิชะว่าในมหาจักรวาลนีนะ้มันจิตนี่เป็นตัวประธานและประธานใหญ่ที่สุดก็คือประธานตัวมนุษย์มนุษย์นี่แหละทําลายโลกทั้งโลก โลกลูกนี้เนี่ยมันเสื่อมมันไม่ได้เสื่อมเพราะธรรมชาติของดินน้ำลมไฟหรือในเรื่องของแค็แง่ฟิสิกส์ความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันทําลายโลกนี้ไปตามธรรมชาติซึ่งมันก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเพราะนั่นสัตว์โลกที่มีจิตโดยเฉพาะมนุษย์เดรัจฉานมันก็ทํำลายโลกไม่เก่งเท่ามนุษย์มนุษย์มันมันย้ายภูเขามันทําลายทะเลมันถมทะเลโอ้มันทําได้หมด ตอนนี้มันกำลังมารับกวนอากาศสร้างมลพิษแห้อากาศมันกําลังจะไปทําอากาศที่ของเขาตะก่อนบริสุทธ์กว่านี้และก็มีอะไรตอะไรที่ไม่วุ่นวายวุ่นวายไม่เสียทิศทางลมฟ้าอากาศมันไม่เสียทิศทางมันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่บุญตอนนี้มันเมาหมดแล้วอากาศก็เมาวุ่นวายจะไปทางไหนไอ้นุ่นมันไปอย่างนี้อย่างนี้ของมันนี่อาตมาพูดนี่ไม่ใช่เล่นนะเรื่องจริง มนุษย์นี่แหละหาอะไรก็ไม่รู้ไปทำไปเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรของมันหมดเลยจะใหญ่จะหยาบจะเล็กจะใหญ่จะทำลิฟจ์ิพย์หายไ ป, ป่วงหมดนี่มนุษย์ใน่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหจะไปตั้งสถานีอวกาศตั้งกล้องฮับเบิลใหญ่กว่าที่กำลังสร้างอยู่ตอนนี้สร้างอยู่จะไปตั้งกล้องนอก อากาศนู้เพื่อที่จะส่องดูเอ้มวลกาแล็กซี่ไอม้มวลอะไรในอะไรในมหาจักรวาลนี้แล้วก็จะส่องไอ้ลูกโลกลกอะไรไม่รู้ก็จะไปดูไปทำอะไรกันนักกันานก็ไม่รู้จะเอาอะไรก็ไม่รู้โอ้ยลงในความรู้ความสามารถจริงมันรู้แล้วมันก็ได้อะไรแต่ไรมามันมีผลมันนิดหนึ่งแต่ลงทุนมหาศาลเหลือเกินแล้วก็ทําให้โลกนี้แหละฉิบหายก็ไปสากอากาศนี่จะใหญ่กว้างยาวประมาณ เท่าไหร่อาตมาจะไม่แม่นแล้วเขามีแบบสเก็ตอะไรต่ออะไรด้วยที่นา s a ท, ทำกำลังลงมือทำแล้วจะไปตั้งกล้องอันนี้ใหญ่กว่ากล้องฮับโบกที่ใช้ยอยู่เดี๋ยวนี้จะไปส่องดูอะไรใจอพวกนี้สิ่งเหล่านี้เราเป็นมลพิษนี่เรามลพิษของอวกาศก็เป็นมลพิษของอะไรต่ออะไรต่างๆนาน า, นานแล้วก็จะมีเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนธาต ธาตุธาตุธาตุแก๊สนี่แหละจะเรียกว่าธาตุอะไรภาษาภาษาฝรั่งมันเรียกแก๊สธาตุอะไระ <c oughs> ก็ธาตุอากาศนี่แหละแก๊สก็คืออากาศมู้จะเรียกว่าอะไรเนี่ยธาตุพวกที่มันเบาบางว่างๆแต่มันไม่ว่างมันเป็นเทหาวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่มันก็มีมวลมีลักษณะอะไรผสมผรสานอยู่ในนั้นมันไม่ใช่ความว่างมันเป็นสารประกอบ ไม่ใช่ความว่างนะมันเป็นสารประกอบนะเป็นสารผสมเป็นสารประกอบอย่างนี้เป็นต้นก็คนนี่แหละทําให้มันถ้าโดยธรรมชาติก็มันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้จะไม่เลอะเทอะจะไม่สกปรกจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมากเท่าที่คนไปทําให้มันถ้าโดยธรรมชาติก็มเขาค่อยๆแปลตัวเปลี่ยนตัวจริงมันมีความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ทรงอยู่แล้วก็เสื่อมโทมอะไรมันก็เป็นข้อมันบ้างแต่มันจะไม่มากขนาดนี้มันไม่เร็วไม่ไวไม่ เลอะเทอะขนาดนี้คนนี่แหละเพราะฉจิตปัญญาจึงเป็นประธานสิ่งทั้งปวงเข้าใจไหมสรุปแล้วเป็นประธานทั้งอย่างเป็นประธานสร้างเป็นประธานทําลายพวกเรากําลังมาเป็นคนทำเกิดให้ประาศจากสารพิษไรสารพิษต่างๆตั้งแต่ใกล้ก่อนแต่เราคงไม่มีความสามารถไปทำให้ความสะอาดไปทํา5สให้แก่อวกาศห้าสให้แก่อวกาศเราคงไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดช ไกลเก่งถึงปรึก ป, ปานฉะนั้นไป <c oughs> จัดการห้าสอให้แกอวกาศมันคงไม่เก่งถึงขนาดนั้นเราก็ทำตั้งแต่ส่วนใกล้ส่วนจำเป็นในเรื่องของตัวมนุษย์ในเรื่องของสังคมแวดล้อมที่ใกล้ไปก่อนจึงก็ต้งขยายผลไป มันก็จะทําความศะอาดจนกระทั่งเขารู้ว่าเออยังไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปตั้งกล้องในอวกาศไม่ต้องไปสร้างอะไรเข้าไปรบในอวกาศไม่ต้องไปสร้างคีปนาวุธเจะไปยิงกันในอวกาศเป็นสตาร์วอรอะไรกันไม่ต้องอะไรต่างๆพวกนี้เราก็จะบอกอย่าพิ่งไปเลยแต่ทำพวกนี้ให้สงบร่มเย็นภายในโลกด้วยกันนี่เธอะมนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสุขสําราญบานตะไทยออนี่คือความรู้ทางจิตมีคุณธรรมทาง มนุษย์มีคุณธรรมของมนุษย์ที่จะรู้แล้วโลกีของมันที่กรําโลกีกันอยู่เนี่ยมันเป็นสุขในลาบยศสรนเสริญโลกีจะสุขซึ่งมีการมมาสุขกับอัตถัตถะสุขเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ความจริงแล้วเราก็รู้มาจริงๆอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วเราเริ่ก็ในเรื่องกรรมในเรื่องโลกธรรมได้ลาบมามากมายก็จะเป็นสุขได้ยศมากก็สุขนอกจากสุขแล้วยังเบ่งยศขี้แตกเลย อะไรต่างๆนาะนะเราก็มารู้แล้วเราก็เลิกไปเถอะจริงๆโดยธรรมมันมียศมันมีชั้นมันมีคลาสมันมีตามสัจจะแต่เขาให้เราแล้วเราก็อย่าไปหลงระเริงแล้วอย่าไปเอามาเป็นอำนาจเบ่งบีบบังคับข่มขี่คนอื่นเบียดเบียนคนอื่นมีหิงสามันมีโดยธรรม พระพุทธเจา้าท่านมียศสุดยอดแห่งอิสเริยยศพระพุทธเจา้าใช่ไหมเราเทิดทูนยกย่องเชิดชูท่านสูงส่งมีความสูงอย่างแท้จริงยังมีหน้าที่มีอะไรที่ท่านสามารถที่จะมีหน้าที่ทํางานได้มากมายหลากหลายที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาพึ่งได้ท่านจะแก้ปัญหาให้เราได้อะไรต่างๆพวกนี้ ได้รับการสั่นเสริญลาบท่านก็ได้โดยธรรมลาบท่านเยอะแยะใครก็อยากให้มีโดยธรรมไม่ต้องไปเรียกร้องไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปเอารายแลกเปลี่ยนโดยธรรมเป็นกุศลของท่านและคนก็อยากให้จริงๆมีความสุจริตใจยอยากให้ท่านอะไรนี้เป็นต้นหรือแม้แต่ไมถึงพระพุทธเจ้าอย่างอาตมาก็มีบ้างพอเห็นเห็นพอมีรูปรอย ยิ่งกว่าน้อยกว่าอะไรของจริงที่ยืนยันได้แม้แต่พวกเราเนี่ยเพื่อนฟูคนนั้นคนนี้เอ้ยคนนี้อยากให้ช่วยเหลือเพราะคนนี้มันก็น่าจะสนับสนุนอุปธรรมคนนี้อยากให้ไม่น่าอุปธรรมแล้วมันจะตายให้มันตายไปเลยไม่อยากให้มันก็เป็นเรื่องจริงอยิ่งเอาคุณธรรมมาจับคนนี้อยากให้เพราะคุณธรรม นะคนคนประหยัดนะมัธยัติประหยัดนะก็จริงนะเพราะในคําสอนที่เร า, เ า, เราก็ค่อยเกลียค่ยค่อยอธิบายขยายความให้เราจะเห็นบ่าคนที่ไม่รู้จักโลกี้ยังคงกล่ำโลกี้ยังคงหลงระเริงอยู่กับโลกี้นี่นะวิธีการในโลกที่เขาจะบูรณาการเศรษฐกิจที่เขาจะพยายามพัฒนาทุกวันนี้ก็ทําอาตมาก็เห็นใจนะ อย่างนายกทักษิณนี่เขพยายามที่จะบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจต่างๆมีความเข้าใจในเรื่องเศรษฐกิจเศรษฐกิจคืออะไรอัตมาไม่ใช่หมาพูดไปก็สะดุดเพราะอัตมาเป็นนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์เหมือนกันนะก็เป็นนักศึกษาไ ป, ไปลงทะเบียกับเขาสมัครนะเรียนธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นะลงชื่อเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ด้วยนะ พูดถึงเศรษฐกิจฐฐแล้วมันก็สะดุดนิดนึงว่าจะบอกว่าเราก็ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์เราก็ไม่ใช่นักศึกษาก็เปลงทะเบียนแต่ไม่ได้ร่ำเรียนอะไรกับเขาเนละโอเลี้ยงแก้วนึงก็ไม่ได้จ่ายเพราะไม่ได้ไปสอบสมัยก่อนที่สอบนี่ไปขอสมัครสอบเนี่ยวิชาละสิบบาทวิชาละสิบบาทเนี่ยสอบพอเวลานั่งสอบนี่เขแจกโอเลี้ยงคนละแก้วเลยนักศึกษาสอนี่ก็แจกโอเลี้ยงคนละแก้วคนละแก้ ว, กวถ้าสอบตกก็ถือว่าโอเลี้ยงแพงแหมแต่ก่อน10 บ, บาทไม่ใช่ถูกถูนะ 10บาทไม่ถูกนะส0บาทไร้ตังค์โอเลี้ยงเนมันแก้วเราสลึงห้าสิตังค์แค่นั้นเองจำไม่ได้แล้วว่าสลึงหรือห้ิโอเลียงแก้วมันขึ้นจากสลึงหนึ่งมาห้าสิบเลยจาก50บมันก็ขึ้นไปเด้าตังค์โอเียเนมันขึ้นทีละมันมันขึ้นทีละสลึงทีละสลึงแล้วก็ไปบาทหนึ่งแล้วก็บาทยี่ห้าเดี๋ยวนี้เท่าไหร่โอเลี้ยงเท่ากันกับราคาข่าววิชาที่สอบน สิ บ, บาทสิบบาทเราก็คิดดูสิประเดี๋ยวนี้เงินมันตกขนาดไหนนั่นแหละสิ บ, บาทโอเลี้ยงสิ บ, บาทแพงจังเลยใช่ไหมแพงจังเลยสอบตกก็คือโอเลี้ยงแคละสิบวางเงนินรอกันก็รอกันน่ะถ้าใครสอบก็แล้วแต่ใครสอบก็โอเลี้ยงแค่ละสิบบ้ยตกปีหน้าก็สอบใหม่อย่างเงี้ยอ่ะอัตมาก็ไม่ได้ไปสอบกับเขาสักวิกวชา เล่นๆๆทั้งนั้นเป็นเล่นหหัวอยู่ในธรรมศาสตร์ไปก็อย่างดีก็ซื้อเสือเหลืองแดงไปใส่เวลางานธรรมศาสตร์กลุณาเล่นไปตามเรื่องตามราไม่เอาถานเศรษฐกิจก็คือระบบวิธีที่จะทำให้เกลียให้สังคมนี้มีกินมีใช้สรุปง่ายๆอยู่เย็นเป็นสุข นี่คือสรุปง่ายๆของระบบเศรษฐกิจนะโดยเป้าหมายใหญ่ปีความสามารถมีทฤษฎีหลักมีวิธีการอย่างไรที่จะเกลี่ยทุกอย่างนี้ให้ทั่วถึงกันทั้งสร้างสรรและใช้สอยและมีความสูญเสียรู้จักการสร้างสรรและการใช้สอยและการสูญเสียเพราะฉะนั้นอยาให้เกิดความสูญเสียมากเราห้ามไม่ได้ในความเป็นจริงว่อความสูญเสียมันต้องมี พรา ะ, ะนั้นเราจะเอาความสูญเสียนี้มาแลกนัแรกอย่างไรที่จะได้ผลมากกว่าสูญเสียนี่ก็คือความหมายกว้างของเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นคนที่จะหาทฤษฎีหาวิธีการหาอะไรแต่ใดมาใช้เพื่อที่จะให้เกิดเศรษฐกิจดีของสังคมเขาก็ทํำ คิดไปเถอะหาวิธีกันไปใครเก่งก็เก่งไปมีทฤษฎีของคนนั้นคนนี้มาโอ้โหมากมายใครเป็นเจ้าทฤษฎีก็โอ้โหมาจนกระทั่งถึงทฤษฎีคาร์มาร์กเดี๋ยวนี้มีทฤษฎีอะไระเด่นกับคาร์มาร์กทฤษฎีบุญนิยมเศรษฐศาสตร์บุ ญ, ญนิยมนะเขาก็พยายามเกลีย่ยเพราะาทฤษฎีทุกวันนี้นี่ยังไงยังไงก็ไม่พ้นทฤษฎีเศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่พ้นทุนนิยม สรุปได้ง่ายๆว่าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยเอาทฤษฎีไหนมาอาดัมสมิธนโอคลาสสิกอะไรก็มาก็แล้วแต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ต่างๆมาใช้กันอยู่ทุกวันนี้เรือทฤษฎีคนเก่งๆอาตมาไม่รู้จักชื่ออาตมาไม่ได้ไปวุ่นวายในระดับเศรษฐกษิจอย่างคลุกวงในกับเขาแม่ต้องไปรู้คนนั้นคนนี้มีแง่คิดเชิงนั้นเชิงนี้มาดีแล้วนะเศรษฐศาสตร์เชิงนั้นเชิงนี้มา อาตมาไม่ได้ไปคลุกวงในอย่างนั้นไม่ใช่นักวิชารณ์ก็รู้กว้างๆรู้เล็กๆ น, อนอ้อยๆเก็บอะไรมาเก็บมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วใครไม่ชมตัวเองต้องชมตัวเองเก็บมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วมีพอพูดกับเขาได้สักตัวสักตั ว, ตวสองตัวอะไรเงี้ยสรุปได้ก็คือเป็นวิธีการที่จะทําให้ เศรษฐกิจของสังคมกลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ตัวเองบริหารที่ตัวเองจัดการอยู่ได้ดีอยู่ดีกินมีกินมีนมใช้อุดมสมบูรณ์เมื่อวานนี้พวกเรากลุ่มพวกเราเนี่ยประชุมกันในระดับนักบริหารของชาวโสกก็ยังคุยกันเลยว่าเดี๋ยวนี้นี่พวกเราเป็นยังไงฐานนะอยู่กันมันกินเฟอร์ไมัม้ยหรือว่ามันขาดแคลนคําตอบก็คือบอกว่ามันเฟอร์แล้วนะ น้อยแต่ละคนไม่มีเงินสักบาทเลยบอกว่าจะกินเฟอร์เอ็นักบริหารไม่มีเงินเท่กันสักบาทเราไม่มีรายได้อะไรกันแล้วนะเข้าไปอยู่ในนั้นนะจะมีแล้วก็มีน้อยที่สุดแล้วระระดับต่ําที่สุดอ่าคนที่มีรายได้มากที่สุดก็แค่2 0 0พันสออะไรขนาดนั้นเท่นานั้นนะต่อเดือนนอกนั้นก็ส่วนมากเลยที่ป ร, ประชุมกันที่คุยกันนักบริหารเมื่อวานเนี่ยส่วนมากก็ไม่มีรายได้เลยสักบาทใ น, นวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งอยู่หลายปีแล้วก็ไม่ได้สักบาทเป็นขลองส่วนตัว ไปใช้สอยกินส่วนกลางสาธารณภพีไปอย่างนั้นเองนะทุกคนจนหมดแล้วสรุป ง, ง่ายๆทุกคนจนหมดแล้วอยู่ในฐานะจนแล้วแต่มาดูองรวมของสังคมพวกพวกเราพูดกันว่าพวกเรานี่มันมันขาดแคลนมันเดือดร้อนว่าอยู่เป็นอยู่กันนี่ของประชากรของพวกเราเป็นไงมันเฟอ้อแล้วริงเด็กๆเล็กๆเด็กเกกพูดถึงพวกที่กำลังเป็นตัวัยเจริญพัน ที่กำลังเกิดขึ้นมาเขาพวกนี้เขาจะไปกขยายโลกมันหลอกล่ออะไรแต่อะไรไปมันที่จริงเรื่องเรืองความเป็นอยู่มันกินเฟอ้อใช้เฟอ้อแล้วอยู่ในวงวงพวกเราอยู่ในหมู่บ้านพวกเรานี่แหละเพราะระบบของพวกเราจะกินยังไงจะใช้ยังไงสาธารณภพอคีก็รู้อยู่แล้วมันเฟอ้ออย่างนี้เป็นต้นนี่คือเศรษฐกิจเราดีแล้วก็ต้องมาปรับหลักเศรษฐกิจอีกโอ้จะเฉลยยังไงมันยังจะต้องมี ปันบุญมันจะต้องมีอย่างคนอย่างนี้มีอะไรอย่างี้คุยเมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจของสังคมเราปนี่ิจัยวิเคราะห์วิจารณ์กันหาทางว่าจะทำยังไงกันเนบอกกันแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปจัดการรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงว่าไปไปทำกันเขาก็จะไปคุยกันรัฐมนตรีพวกอโศกก็ไปหาวิธีแก้ปัญหากันอ่า มัน ม, มีเงินเดือนจะลดแล้วไงมันมเงินเดือนศูนย์แล้วที่นี้มันแก้ปัญหาไม่ต้องไปคุดคิดถึงเงินเดือนในระดับสังคมกลุ่มนี้ไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนแล้วมีแต่คิดถึงหน้าที่การงานเท่านั้นเองไม่ต้องคิดถึงเงินเดือนไม่ลดเงินเดือนใช่ไปจัดการลดเงินเดือนของประชากรของผู้ที่ยังมีอันนี้มันจะต้องมีรายได้ยังไงไม่ต้องปีอะไรอไระไรยังไงจะไปจัดพวกนี้นี่เราคือการจัดระบบเศรษฐกิจเพราะเราก็ไปจัดดูดูที่เนี่เจ้าหนี้มันจะเอาเท่านั้นนี่มีวิธีแบบนี้นะนี่วิธีอย่างงี้อ่า อะไรนะสอะไรนะเออแต่ก่อนนี้ใช้สูตรห้าสมองันก็เอ๊ะไม่ดีมาเอาปันบุญเ อ, อไม่ดีสูตรนั่นสูตรนี้เาปรับเพราะว่าคนจะต้องมีอย่างนี้อยู่ด้วยในฐานะบุคคลเขามีแต่คนที่ไม่มีปัญหาแล้วทำงานฟรีแรงงานฟรีปลอดทนี้ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยรัพ์เขากองบุญโอโ้ทุกวันทุกวันทำงานไปเรามีค่าตัวของเราประมาณวันละสองพัน ทำเข้ากองกลางโมทุกวันทุกวันวันละสองพันสองพันองพสบมมทมดปกตหหจจมอยกมชยลลไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันประหลาดนะมันเป็นไปได้ทํางานไม่ต้องไปคิดถึงรายได้ผลเข้ากองกลางหมดเฉลี่ยซับเข้ากองบุญหมดไม่ต้องเฉลี่ยเรือเข้าหมดเลยสบายมากไม่ต้องไปคิดทําเสร็จปายหน้าที่คนที่จะรับช่วงเอาไป จำแนกแจกจ่ายเอาไปใช้สอยเอาไปทําอะไระคนจะเอาเข้าครัวก็เอาเข้าครัวคนไม่เอาเข้าครัวเขาอัดข้าตลาดก็เชิญหรือคนจะเอาไปนั่นนี่ก็นว่ากันไปก็หมุนเวียนไปหน้าที่คนละหน้าที่ทํากันสังคมของเราก็เหมือนกับสังคมข้างนอกเรา แ, แต่ว่าแนวคิดมันต่างกันวิธีการต่างกันเราก็ทําเศรษฐกิจก็เราก็บูรณาการเศรษฐกิจของเราแต่ของเราไม่ลืมจิตไม่ลืมคุณธรรมใช่ไหม เราไม่ได้ลืมจิตไม่ไล้ลืมคุณธรรมเราไม่ได้หลงไหลแต่เรื่องของวัตถุเท่านั้นเพราะฉะั้นจะว่าไปแล้วนี่นะประชาธิปไตยของทุนของเสรีนิยมของทุนนิยมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นพวกที่มีความดีความเก่งอะไรแล้วก็ไปดูถูกคอมมิวนิสต์เขาบอกว่าพวกเขาเป็น materialism แล้วไอ้ทุนนิยมเสรีมัน materialism หรือเปล่า มันก็ไอแมทริออริซึมนั่นแหละเอ้อมันก็ไอแมทริออริซึมเหมือนกันมันก็ไม่ได้เข้าใจนี่ว่าไอ้ความสำคัญมันอยู่ที่จิต อ, อยู่ที่คุณธรรมอยู่อย่างเดิมมาแลวะวอ่มีศาสนาแต่มีไหมสิ่งสักข้อมีหรือเปล่าสี่งก้อนหนึ่งเอาคาสาัดคาอยู่ไหมคาเฉยรักทรัพย์รักไม่รักอย่างมากหรอกแต่รักอย่าง ไม่ใช่ไม่รักอย่างมากรักอย่างมหาศาลโดยมีกลวิธีที่จะอัินนาทานอย่างมหาศาลโดยที่คนอื่นจับไม่ได้ชัตลาส์หลักแหล่มากไม่ได้เล่นกันธรรมดาร้อยล้านเป็นเรื่องเล็กไม่ใช่เดาเอาทีล้แสนสองแสนปล้นทีก็นตรงนี้ตำรวจกันอย่างไม่ต้องตำรวจเป็นผู้คุ้มกันช่วยด้วยมันสูงถึงขนาดนั้นเลยอัตินาทาน กามม่สุมิชาจาย ouais. ์น่ะชั้นที่ย8ปดบางคนไม่รู้ข่าวคราวโลกเขาเลยเลยชั้นที่ย8ปดคืออะไรนี่ข่าวสดสดร้อนๆนแต่มาก็ทันสมัยกับเขาเหมือนกันก็พอได้ข่าวได้คราว นอกนันก็แล้วแต่มีข่าวครับมีอะไรอไรเยอะแยะไม่ใช่เยอะแย ะ, ยะและะ้วปัติจริงก็ว่ากันไปเละเทปะปัตติจริงอะไรกันอยู่กันเละไปไม่ต้องไปพูดเลยว่าผัวเดียวเมียเดียวอะไรไม่ต้องไปพูดเลยนะสินสักข้อนึงมีไหมโกหกด้นอ่ะอย่าให้พูดดีกว่าข้อห้าล่ะไปขาดมือเราอยู่ข้างข้างข้อห้า คือศีลข้อเดียวก็ไม่มีกันเลยไม่เคยสังวรศีลไม่เคยสํารวมอินทรีย์อะไรไม่รู้เรื่องาศาสนาอะไรพูดครับอยากใครจะมาแตะพุดนะผมเอาตายน ะ, ะรักาศาสนาพูดยิ่งกว่าอะไรดีนี่คือความไม่รู้ของสังคมนะขบวนาการเศรษฐกิจ ก, ก็เป็น Materialism ิซึเขาก็ยังหลงในเรื่องของวัตถุเท่านั้นก็ก็ต้องทำ ว่ากันจริงก็ต้องจัดสรรพยายามใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ก็ไม่ได้ไปลบลู่อะไรหรอกในนั่งการบริโาการเศรษฐกิจแต่ขอลบหลู่เรื่องจิตและคุณธรรมขอลบหลู่ว่าไม่เอาฐานจริงๆไม่สังวรสรมมไม่ปฏิบัติประพฤติจริงๆทิ้งจริงๆเลยไ ม, ไ, เไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นสาวกสังโฆแม้แต่สาวะ แค่ฟังทำฟังบ้างหรือเปล่าสาวกกลับแล้วว่าผู้ฟังฟังบ้างหรือเปล่าทำมะทั้งมือเปล่าเพราะฉะนั้นจะเป็นสาว ก, กสังฆะพระพุทธเจ้ารับเข้ามู่มูคืออะไรมูคือโสดาสกาิธานาคารหารันคู่บุรษุษสีบุคคลแปดถ้าแจกเป็นบุคคลกับบุคคล8ปดจำพวกเท่านั้นแหละ จะแจกเป็นบุคคลนบุคคล8จดจำพวกตั้งแต่มีรู้จักมรรครู้จักทางปฏิบัติรู้จักสังโยชน์รู้จักมรรคองแปดรู้จักทางที่จะเดินทางเข้าสู่ความเป็นอริยะเข้าเป็นโลกุตระนี่จึงจะเรียกว่าสง์ไม่ใช่สงนี่คือไปบวชแล้วก็ได้โกนหัวต่อให้โกนหัวบวชมาหกสพรรษาหนุนจีวรมาไม่ปาราชิก ต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่สงยังไม่ใช่สาว ก, กสังคโคที่เป็นคู่บุรุษสีหรือแจกเป็นบุรุษที่ละเอียดขึ้นก็แปจึงเจะอยู่ในสง์ในสังฆเข้ากลุ่มเข้ามูพุทธบริษัทหรือกลุ่มหรือสงหรือบริษัทปริษัะหรือสังฆเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่อยู่นอกนอกอย่างเก่งก็แค่สาว ก, กะยังไม่ใช่สังโคฟังให้ชัดนะ สาวกกลับไปผู้ฟังได้ฟังเหมือนกันพระพุทธเจ้าฟังคำสอนพระเจ้าบ้างแต่ฟังได้สาระไหมเอามาสังวรไหมเอามาปฏิบัติไหมศีลข้อหนึ่งมันได้ขึ้นมาหรือยังศีลนั้นมีมรรคมีผลบ้างไหมยังไม่มียังไม่ใช่สงฆ์แท้แค่ได้ฟังเฉยๆยังไม่อยู่ในรัตนะสามสงฆ์ของพระพุทธเจ้าคืออริยสงฆ์เป็น คนที่คนของเราพระพุทธเจ้าตรัสว่าคนของเราผู้ใดเป็นอริยะแล้วผู้นั้นก็คือรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของตนของผู้อื่นอย่างน้อยเป็นตัวอย่างอย่างน้อยเป็นแบบอย่างสอนคนอื่นไม่ได้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่พึ่งของผู้อื่นรัตนะคือที่พึ่งของผู้อื่นพุทธธรรมสง์ผู้ที่เป็นสง์คือโสดาตั้งแต่โสดาปฏิมาขึ้นไปถ้าแจกเป็นอย่างอ่อนที่สุดก็แค่โสดาปฏิมา มีโสดาผลแล้วนี่คือตัวอย่างนี่คือที่พึ่งของโลกที่พึ่งของตนเองได้แล้วพึ่งตนเองได้พึ่งของคนอื่นเพราะฉะนั้นพวกเรามาปฏิบัติธรรมจนกระทั่งสามารถทํางานที่ทํางานพึ่งพึ่งตนเองได้ก็คือคุ้มตัวเองโดยไม่ทุจริตต้องมีเงื่อนไขต้องเป็นกุศลต้องไม่เป็นอ ก, กุศลหรือไม่เป็นทุจริตพึ่งตนเองได้คนในโลกนี้พึ่งตนเองทั้งนั้นพยายามพึ่งตนเองทั้งนั้นแหละ แต่โกงเข้ากินเขาเอาเปรียบเขาไม่สุจริตนะระบบทุนนิยมไม่สุจริตทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นพึ่งตนเองไม่สุจริตนี้ก็คือบาปอยู่งั้นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้สุจริตให้กุศลพึ่งตนเองอย่างมีกุศลแล้วได้เสียสละด้วยเ่ยได้เสียสละด้วยการรู้จัก ละเอียดละออนไปจนกทั่งถึงความเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคมเราพึ่งตนเองได้แล้วเราก็มีประโยชน์ต่อสังคมได้การรู้ชัดรู้แจ้งมีญาณรู้เลยว่ากรรมกริยาพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรร ม, รรร ม, รรรมที่เราปฏิบัติประพฤติอยู่ในสังคมในโลกขณะนี้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยคิดค่าเฉลี่ยแล้วเราเป็นผู้ให้แก่โลกได้เราพึ่งตนเองรอดเพราะสมรรถนะ ความขยันพฤติกรรมปฏิกิริยากรรมกิริยาของเราแต่ละวันแต่ละวินาทีแต่ละนาทีแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีเราเป็นผู้ให้ไม่ใช่ผู้กอบโกยเอามาเห็นแก่ตัวให้แก่ตัวมากกว่าที่เรากระทํยาเพราะฉะนั้นค่า ส, สมรรถนะของเราเท่าไหร่บวกลบคูณหารแล้วแต่ละเดือนแต่ละวันเราเป็นผู้ได้ให้แก่สังคม อย่างนั้นคือพึ่งตนเองและเป็นผู้ไม่มีบาปเป็นผู้มีกุศลเป็นผู้ไม่ทุจริต <c oughs> นี่คือการคำนวณการคิดเศรษฐกิจหรือเศรษฐศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าเป็นเศรษการคิดเศรษฐกิจการคิดเศรษฐศาสตร์อย่างพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตัวเรายิ่งมาคำนวณกับกลุ่มหมู่สังคมถ้าให้คิดป ค, ความเป็นเศรษ ฐ, ฐกิจของชาวโสมนี่นะ พระสงฆ์นี่โอ้โหแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเดือนเราช่วยโลกช่วยสังคมพระหิตายพระเจ้าสุขายาโรกาณุกรกรมปายยาจตารอดเพราะแต่ละคนจริงๆนี่คุณกินคุณใช้เท่าไหร่จริงๆงวันวันนึงคุณกินคุณใช้เท่าไหร่ไม่ถามนะคนนี้เวอคนนี้เวอเวอรอยู่ถามนะเดี๋ยวเวอเดี๋ยวเวอเขาขางตัวแล้วไปสัดคนอื่นเขาอีกระวังหน้ามันจะไปสัดคนอื่นมากๆแล้วคนเขา สวนมาเราออกแรงก็สวนแรงนะระวังบ้างต้องรู้แอคชั่นรีแอคชั่นนั้นสุจริตแอคชั่นเท่าไหร่รีแอคชั่นเท่านั้นสุจริตนะนะเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องบูรณาการเศรษฐกิจเราก็บูรณาการเศรษฐกิจมีวิธีการมีการจัดการมีการจัดสรรมีการปรับ เรียนรู้ฝึกฝนอยู่ในสังคมของพวกเราโลกก็ทำเพราะถ้วันนี้เรามีมหาวิทยาลัยไหมเรามีการเรียนรู้เรามีการเผื่อแผ่ความรอบรู้สอนกันเป็นการบริหารสังคมเป็นรัฐศาสตร์ทำไหมเราทำเรามีการสอนมีการเรียนมีการฝึกฝนมีการชี้แจงมีการช่วยเหลือมีการอุ้มชูเกื้อกูลกันทางทรัพย์สินการศึกษา ทั้งภาคปฏิบัติต้องทําอยู่ในกลุ่มของเราเราทําข้างนอกเขาก็ทําแต่เขาทําตามระบบของเขาทําตามความเข้าใจของเขาตามความเชื่อถือของเขาซึ่งมีความโลภเป็นเป็นใหญ่กว่ามีโลภมีแคลนมีโกรธมีเครือมีการเอาชนะค้าขายมากกว่าของเรามันน้อยกว่า เพราะฉะนั้นเมื่อไม่คำนึงถึงหลักธรรมะไม่นำหนึ่งถึงจิตไม่คำนึงถึงคุณธรรมแล้ยังคงหลงโลกไม่รู้จักโลกไม่เรียนรู้โลกว่าโลกมันโลกมันหลอกเราโลกมันมีอะไร อ, อะไรที่อีกมากมายโลกีเนี่ยแล้วเราก็หลุดพน้นแล้วก็พยายามเลิอกอย่าไปกล่ำในโลกีแม้เราจะทําอะไรมีลาภทรมิการมีลาบโดยธรรมเพราะทุกคนมีสมรถนะมีใครความขยันสร้างสรรอยู่ทุกวันก็มีลาบโดยธรรม สมณะไปบินธบาตคนให้ด้วยศรัทธาเป็นลาบโดยธรรมไม่ได้ไปขอเขาเรียกเบเกอร์ผู้ขอเหมือนกันแต่ไม่ได้ไปขอมาคุะเรื่องกันเรียกว่าพิกุ b e g g อรผู้ขอแต่ท่านไม่ใช่ผู้ขอท่านเป็นผู้ไปแสดงธรรม ต้องไปอ่านอาตมาพูดมาก็คิดถึงหนังสือศาสตร์และศิลป์ของบินธบาศคิดหรือหร้ทีแล้วว่าอยากจะบอกเพราะเคยพิมพ์มาเป็นเล่มครั้งเดียวแล้วก็มาแจกฝ่ายในเท่านั้นอยากจะให้พิมพ์เล่มนี้ออกแพร่หลายมันเล่มนาเหมือนกันศาสตร์และศิลป์ของบินธบาศแจกไปหรือว่าให้แพร่ออกไปสู่สังคมรอบกว้างให้มากขึ้น เพาเขาจะได้รู้มั้งว่าบินธบาตไม่ใช่ผู้ขอแต่ก่อนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าเหมือนชีวิตหรการก้าวไม่เฉกแม้คุณจะเลอะเทอะเท่าชีวิตหรการก้าวอะไรกันผู้ขออะไรนะี่ยคนที่ขอหนังสือเล่มนี้เดิมที่อาตมาเขียนตอนแรกตั้งชื่อเล่มนี้ว่าคนที่ขอแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นผู้ขออะไรก็ไม่รู้หลายจนกระทั่งมาลงตัวในศาสตร์และศิลของบินธบาตชื่อมัน นี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งการไปบินทบาทเป็นลาบโดยทําเป็นลาภธรรมิกาท่านตรัสไว้สอนไว้ในพระเตปินดกก็บอกว่าพุทพระสงฆ์ภิกษุมีลาบโดยทําไปบิณทบาทมาแล้วก็เอาม า, มาบินทบาทแล้วก็เอามาแบ่งกันเป็นส่วนกลางเป็นสาธารณโภคีใครได้มาก็เอามารวมกันแล้วก็มาแบ่งกันกินกันใช้คือมันลึกซึ้งธรรมะของพระเจ้าแค่นี้เลยก็เป็นเรื่องของเศรษ ฐ, ฐกิจเรื่องของเศรษ ฐ, ฐกิจนะ เนี่ยไปบิณฑบาตมาไปราบโดยธรรมท่านได้มาโดยไม่ได้ไปขอท่านไปแสดงธรรมแต่แสดงธรรมโดยไปแสดงความสงบความไม่โลภไม่จะเห็นคนนี้จะใส่ส่อสายตาใครใส่บาตบ้างวะโอ้โหมีเจ้านี้กับเจ้านี้ใกล้กันเคียงกันเจ้านั้นของดีเจ้านี้ของไม่ดีเราบุงเจ้านอ น, อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะช่วยจยไปก่อนเจ้านี้เอาไวท้ทีหลังอะไรเงี้ย พวกนี้มันละเอียดละออนะแล้วก็รู้จิตของเราหรือเปล่าพระสมณะภิกขุ่ะรู้ว่าเราขี้โลภหรือเปล่ารู้ว่าเราเนี่ยหลงขนาดไหนพวกนี้ละเอียดละออ น, น ะ, นะเพราะงั้นไม่รู้มันก็อย่างนี้แหละนั่นเป็นพระเหรอไม่รู้เรื่องอะไรเลยสงวนหรไม่สังวนไม่รู้โลกไม่รู้อะไรนะไอเนั่นไม่ได้ไปแสดงธรรมไอเนี่ยไปแสดงอธรรม ผู้แสดงอธรรมไปบินธบากก็แสดงอธรรมเยอะแยะ yeah. อย่างนี้เป็นต้นโอ้น่าเกลียดทําลายาศาสนาบาปกินหัวเอา้าจะขยายความอะไรก็ได้เยอะแยะ yeah. มันเรื่องอะไรมีให้พูดทั้งนั้นอะมีให้ช่องให้ด่าทุกบุม่มมีมีช่องให้ติทุกบุ่มเพราะความเสื่อมมันเยอะมัน เ, เรื่องที่จะติมันมีเยอะเรื่องดีๆมันมีที่จะยกตัวอย่างรู้ทันทีนี่น้อยเพราะตัวอย่างของพฤติกรรมมนุษย์มันน้อย ตัวอย่างพฤติกรรมดีมันมีน้อยที่จะพูดถึงที่จะเอามายกแต่ถ้าจะพูดถึงไอ้ที่มันไม่ดีข้าไปปั๊บมันไปโดนบุรุษบุคคลหรือว่าสตรีก็ตามขคมโค ล, คลเลยเพราะพฤติกรรมที่มันไม่ดีมันเยอะพอพูดขึ้นมามันก็ไปถูกคนกระทบคนที่ไม่ดีนั่นก็เลยกลายเป็นคนปากจัดจะได้ด่าว่าคนไปทั่วก็คุณอยากจะ เป็นคนทั่วทั่วเงินทาไมล่ะมันก็เลยทั่วทั่วพอพูดเกินมันก็เลยทั่วเพราะคนมีสิ่งที่ทั่วมันก็เลยต้องทั่วนี่มันเป็นสัจจะนะมันเลี่ยงไม่ออกแต่ก็พยายามประมาณว่าเราจะพูดกระทบขนาดไหนพูดกระทบไปเข้ามาฆ่าเราภายในห้าวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้นะ ถ้าเรารู้โลกีแล้วเราก็ไม่เป็นหลงกล่ำในโลกีรถตะมานี่ก็เป็นผลพิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มสังคมชาวโศกดําเนินตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็กลายมาเป็นสังคมมีวัฒนธรรมมีพฤติกรรมกิจกรรมพิธีกรรมอะไรของเราไปจนกระทั่งทุกวันนี้นี่มีรูปธรรมชัดเจนขึ้นแล้วก็ดูแต่ละคนแต่ละคนพยายามศึกษาโลกจะไปรอดก็เพราะคนกลุ่มบุคคลนี่แหละ ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ออกจะบังอาจมากนะเนี่ยบังอาจเป็นอาสพิวาจาเป็นคํากล่าวที่บังอาจถ้าจะแปลให้จริงมันก็แปลว่าองค์อาจองค์อาจกล่าวอย่างองค์อาจอาสพิแปลว่าองค์อาจหลวงพ่ออาสโพ หลวงพ่ออาสโพหลวงพอ่ออาสโพที่เป็นหลวงพอ่อเป็นสุดท้ายเป็นพระพุทธพุทธาจารย์สมเด็จพุทธาจารย์บรรมหาธาตุไงทิฏฐิคุกต้เป็นนุ่งขาวของเข า, ขาออกมาก็สุดท้ายก็จนได้เป็นสมเด็จอาสะพะอาสะโพแปลว่าความองอาจเดิมจะชื่ออาจ ระวังบำเรอเถอะตรงไหนจะสบายบำเรอกิเลสตัวเองมันต้องอยู่ที่ที่ไม่สบายคนที่อยู่ที่ที่ไม่สบายแล้วสบายในคนนั้นปฏินิสักะคนที่เลือกอยู่ที่สบายคนนั้นยังบำเรอกิเลสตัวเองคนนั้นที่เลือกอยู่ที่ไม่สบายแต่เป็นคุณค่าประโยชน์ที่ดีที่จริงแม้ไม่สบายยากหนักลำบากเหมือนกันแต่เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ที่ควรจะทาคนนั้นไม่บำเรอตัวเองคนนั้นเจริญ นะก็พย า, นะายม า, ยามายานคนที่ไปอยู่ที่ไม่สบายแล้วก็ไม่สบายก็ก็โง่แหละคนที่คนอยู่ที่ที่ลําบากและสบายคนนั้นฉลาดกว่านะอยู่ที่ลําบากแต่สบายจนได้ปรับให้มันได้สมดุลคนนั้นฉลาดนะในเรื่องของสังคมทั้งหมด ที่อาตมาพูดไปแล้วแล้วก็พยายามที่จะช่วยใช้สโลกใช้คำความใช้อะไรต่างๆนา น, น า, นนาคราวนี้บอกไปว่าบุรณาการเศรษฐกิจก็ส่งสัญญาณไปใครจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นคนที่มีปฏิภาณ ล, ลึกๆมีเซนิเขารู้นะว่าเราทำอะไรมีอะไรถ้าเขาเองเขาได้กระทบรับสัมผัสถ้าคนขวาอยู่ก็จะรู้ ถ้าคนขวา้าอานหนังสือเราคิดอะไรไปอ่านหรืออย่างน้อยก็เอาไปดูมั่งมีอะไรก็ว่าอะไรว่าอย่างน้อยหน้าปกมันว่าอะไรแค่นั้นมันก็จะรู้นะเพราะแม้แต่หน้าปกนี่ก็กระทุ้งอยู่เรื่อย อ, อ่านหัวข้อหน้าปกเราคิดอะไรแล้วก็มีหน้าปกให้อ่านนิดเดียวอ่านแต่หัวหน้าปกนี่เท่านั้นนะมันก็มีอะไรกระทุ้งอยู่เรื่อยแล้วถ้าคนที่มีปัญญาจะรู้เลยว่าเนี่ยนี่มันกระทุง้งนี่เตือนสังคมหรือมีอะไรอะไรให้แก่สังคมอยู่ตลอดเวลาให้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราให้กับสังคม เพราะงั้นผู้ที่มีปัญญาดีก็รับรู้เอพูดอะไรบูรณาการเศรษฐกิจนี่ยังไม่ออกนะนี่วันนี้วันที่ยังอาจมามาอยู่นี่ท้งนู้นเขาอาจจะออกแล้วก็ได้เสร็จแล้วมั่งปั่นนี่พิมพ์เสร็จแล้วมั่งไม่ผู้จัดการลงพิมพ์คงยังอยู่เลยอ๋อนี่ผู้จัดการรู้อะไรติดขัดนั่นถูกตัดหน้าวันนี้วันที่สองแล้วนะอ๋อมีเล่มที่แถมด้วยของตัวเองอะเนาะว่าเป็นครบปีครบปีที่เจ็ดขึ้นปีที่แปดเข็ม เขาแปดก็ปีที่เก้าเออโอ้โหอะไรกันมันจนนันไวเนาะพอแปบ็บพอแป็ขึ้นปีที่เก้าแล้วนเ อ, อ่ทีแรกว่าจะทำแล้ว เ, เดียวหยุดเลยนะเนี่ยเราคิดอะไรเนี่ยอาตมาพูดตรงได้ก็เขาจตแลต้วอาตมาก็พูดเล่นตั้งใจแต่ทำแล้วเสร็จแล้วเอมันดูดีพอทาก็เลยต่อพอทาต่อก็เลยบอกว่าเอาเลยทำไปเรื่อยๆเลยก็เลยทามาอ่ถึงจะไปขึ้นปีที่เก้าแล้วนะไม่เลิกไม่เลิก ไม่เลยมันเป็นไปได้ไม่เลิกนี่ไทยรักไทยก็สปอนเซอร์นะเล่มนี้มีไทยรักไทยสปอนเซอร์หน้าหลังเลยศีลปกหลังเลยนะราคาแพงที่สุดของเล่มสปอนเซอร์ราคาแพงที่สุดของเล่มเลยน ะ, นะเล่มหน้านได้ชื่อเรื่องแล้วชื่อหน้าปกเลยเล่มหน้านเมาอบบายมุกก็ชั่วจริง แต่ยิ่งกว่าและรู้ยากกว่าคือเมาอำนาจเมาบริโภคนิยมเมาสุขนี่คือเล่มหน้าเล่มร4 8สี่บดเล่มที่จะออกเดือนตุลานี้เล่มร4อยเจ็ดเล่มนี้ออกต้นเดือนพฤศจิกาเมาอบายมุขนั้นก็ชั่วจริง ในอัตมาเลือกคำว่าชั่วเนี่ยเลือกว่าจะเอาเลวจะเอาชั่วจะเอาโงา่จะเอาอะไรที่มันดูมันถ้าเอาว่าเลวนี่้แรงไปถ้าเอาว่าโงา่มันไม่รู้เรื่อง ม, ม, มันไม่ยอมรับว่าตูโงโ่ไม่มีใครยอมรับว่าตัวโงโ่มันจะไม่สะดุ้งสะเทือนคำว่าโง่นี่จะไม่กระทุง้งกระเทือนเท่าไหร่เพราะคำว่าเลวไม่มแรงจังนะอบายมุกนะเมาอบอายมุก ก็เร็วจริงนี่มามาเร็วเลยเบาลงมามาชั่วคำเร็วมาชั่งน้ําหนักว่าอะไรมันจะนี่มันจะเบากันคำว่าชั่วรู้สึกจะเบาวกบว่าเร็วเลยเอาคํำมาชั่วอย่างนี้อาตมาต้องคิดแต่ละคําแต่ละคําต้องมาชั่งน้ําหนักโอ้โหยิ่งก็ชั่งทอง ต้องให้ได้คําได้ความได้อะไรแต่ใดที่แต่ละอย่ากแต่บางทีก็มาทวงนะได้ชื่อเรื่องเล่มไม้ยัง้งบางทีไปวันที่เจ็ดแยังไม่ออกเลยเอาอะไรดีว ะ, ะมันจะมีประโยชน์มีผลสูงได้ประโยชน์สูงประหยัดสุดอะไรก็แล้วว่ากันไปนะเมาอบายมุกนั่นก็ชั่วจริงแต่ยิ่งกว่าและรู้ยากกว่าคือเมาอํานาจ เมาบริโภคนิยมเมาสุขนี่ก็หาคํามาให้มันน้อยที่สุดแล้วหาอะไรมามันจะครบไหมเม า, อ, าอํานาจอ่าก็เรื่องของอํานาจเรื่องของอะไรทั้งนี้เมาบริโภคนิยมกับเอาลแล้วก็ตีรวมกรวม็รวมได้เยอะเมาสุขเจาะเข้าไปถึงจิตเลยบริโภคนิยมกับมันก็เกี่ยวข้องกับรูปธรรมวัตถุมั่งเมาสุขตีเข้าสุดท้ายเลย วันนี้เรื่องของจิตเรื่องของโลกเรื่องของนามธรรมเรื่องของรูปธรรมมันก็สัมพันธ์กันไปหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าศาสนาพุทธนั้นมีเศรษฐกิจมีเศรษฐศาสตร์มีเศรษศาสตร์ไหมมีอย่างยิ่งมีอย่างยิ่งนแต่คนไม่เข้าใจคนไม่รู้ถ้าไปเป็นศาสนาฤรษีออกป่าเขาทำจะไม่มีเศรษฐกิจอะไรนั่นนะอ่ ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์อะไรไม่รู้เรื่องแน่นอนและท่านก็ไม่รู้จริงๆแต่ถ้าเราอยู่กับสังคมเขาก็อ่านเศรษฐกิจแม้จะเป็นเป็นนักวิชาการไม่ใช่เป็นนักรู้ก็พอเข้าใจโดยรวมโดยโดยมันไม่มีเจาะลึกอะไรละเอียดอะไรก็เข้าใจพอไปได้ถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราก็ช่วยไปตามลําดับเอาเธอเนี่เป็นระดับหยาบระดับต้นอะไรก็ตามแต่มันถูกต้องมันก็ช่วยใช่ไหม รู้ระดับรอบห ย, ยาบตื้นตื้นเศรษฐกิจแบบตื้นๆ้ น, น, น่ะ <c oughs> เลือกอบายยมุกมาเสียแต่ละคนจะอย่าไปสูญเสียมันทำลายทั้งสังคมเป็นตัวอย่างของสังคมด้วยถ้าเราไม่ไปเ ป, เป็นตัวอย่างยิ่งเราเป็นคนมีชื่อมีเสียงเป็นคนที่เป็นผู้ที่รู้จักดีในสังคมอ่ะปรับปุล่าในสังคมเรายิ่งควรทาเป็นตัวอย่างที่ดี <c oughs> เลือกอบายยมุกเล็กๆ น, น้อยๆนควนรจะเลิก ซึ่งก็เป็นผู้ที่บริหารสังคมยังมีหลายผู้หลายคนที่เออเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างคุณชวนนี่ก็ดีนะไม่มีอบายยมุกอะไรเลยนะแต่ลึกๆไม่รู้นะแต่ดูทางบางนอกเบื้องยาเบื้องอะไรนี่อาตมาก็เห็นว่าก็ดีฮะเอ้าไม่สงสัยอะไรแล้วก็เห็นเห็นอยู่แลก็แก่แล้วหกสิบกว่าแล้วนะ หนึ่งสสิบเจ็และอ่อนก็อัตมาสองปีงไงเนี่ยคุณชวนสองปีหรือสอ <2 S 1> หรือสี่สมมุ อ, อ่อนก็อัตมาส อ, อ, องปีงไงเนีเขาส่งอยู่นะเขาส่งหมดแนหะแต่มันจะถึงมือหรือเปล่าเพราะว่าเขาจะมีเลขาคอยกลองไว้แล้วมันไม่ส่งไปถึงมือก็คงไม่ได้เจอส่งนะเขาส่งอยู่นะ่ะนายกไม่ส่งได้ไงรัฐมนตรีทุคกคนก็ส่งอยู่แล้ว สสย่างส่งเลยเก็ส่ง น, น, นั่นแหละนะไม่ผ่านการเซนเซอร์บอกว่านังสือษายัางงี้ส่งเข้าไปรกหนะโอ้โหรกตาอะไรองี้เป็นต้นนะเราเราส่งเ ร, เราเราทำอยู่แล้วนะเพราะว่าเราถือว่าสิ่งอย่างนี้เป็นสิ่งที่จะต้องให้แก่ผู้ที่ควรได้เราส่งนะแม้แต่ข้าราชการในระดับบริหารหลักๆเราก็ส่ง ถ้าเรามีทุนมากก็ต่ก่อนนี้เราส่งเยอะนะส่งพุ่มในการกองไปขึ้นไปจนกระทั่งถึงอธิบดีอะไรนี่พวกนี้เราส่งบรัดกระทรวงเราส่งแต่ตุกวันนี้เรามันไม่มีทุนมากขนาดนั้นเราก็ส่งในระดับพอสมควรลดลงมาถ้าใครจ ะ, ะก็ได้แล้วแต่สิมันก็เป็นไปได้นะ <c oughs> แล้วสั่งการแล้วก็สดจอเสร็จไปก็แล้วแต่ อันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดมีเป็นจริงนะเป็นจริงอย่างที่ว่าเป็นไปได้งี้คือเราเองเราการให้นี่แท้แค่นี้นะที่จริงนี่นะอาตมาให้แค่นี้ให้ประโยคทองให้ประโยคทองแกปัญญาชนทุกวันนี้ราคาแพงนะแล้วเาก็รบราข้าวฟันอยู่ในประโยคทองทุกวันเนี่จะประโยคทองเหลืองทองแดงอะไรก็ตามใจมันก็มีอยู่เลอะเลอะเถอะนะทองคี ก, กะลาย ภาษาอีสานท่องขีกะลายคือทองเกอทองมันมีสนิมทองขึ้นสนิมไม่ใช่ทองดีไม่ใช่ทองคําแท้เป็นทองทองขีกะลายคือทองขึ้นสนิมหรือทองเกอทองมันทองเสียมันก็เป็นได้เขาหาประโยคทองกันใช้ประโยคทองมาฟาดฟันกันทุกวันนี้เจงในคารม หาวลีหาประโยคหาวลีทองประโยคทองหนังสือพิมพ์สื่อสารนี่จะมีแกรอบเล็กๆคำคม อ, อะไรคนลำมัดอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคลำที่จะหาคำทองคำคมวัลีคมพวกนี้มาสัดกันดเดี๋ยวนี้ใครปากดีใครมีวลีดีใครมีประโยคทองใครมีพวกนี้ใช้ได้ ของเราก็พยายามหาประโยคทองให้เขาเหมือนกันแต่เขาเห็นของพวกเราไม่ใช่ทองพวกนี้พวกโลกตะกัวโลกของเราเนี่ยเขากำลังอยู่แต่แค่โลกตะกัวพวกโลกนี้พวกโลกนี้ไม่มีล็อกทองเนี่ยดูซิ่นี่ดูที่นี่มันจะมีเรามาั่งรวยอะไรกันมันพวกจนแล้วก็เราก็สอนมาจนด้วยเพราะฉนั้นพวกนี้พวกโลกแค่ขั้นขี้ตะกัวโลกขี้ขั้นตะกัวเขาจะยังไม่เห็นเพราะฉนั้นสังคมเ็าจะมองเราอย่างนี้จริง และอตาตมาก็เจตนาทำให้สังคมของพวกเราเป็นโลกที่โลกคีตะกัวไม่ใช่โลกที่อยู่ในสังคมทองคำนะไม่ใช่สังคมอ่างทองคำไม่ใช่พะเราสังคมนี่ อ, อ่างขี้ตะกัวคนละโลกทำให้เป็นคนโลกเพราะฉะนั้นเขาก็เลเยให้พวกนี้มันนอกจากเขาจะเข้าใจว่าพวกเรานี่ ตำ่ำอยู่ในระดับต่ําแล้วเขาก็จะมองอาตมาทำให้เขามองว่าพวกเองมันไม่มีฤทธิ์อะไรหรอไม่มีน้ํายาอะไรหรอกนะเขาจะมองอย่างนั้นจริงๆนะมันก็เป็นมนขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่เอาฐานไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เป็นไรเขาไม่กลัวดีแล้วละ่ะเขาไม่กลัวเราดีแล้วนะเขาก็ปล่อยเรามาแล้วก็ค่อยๆซุ่มนะ ฟักทองฟักฟูมฟ like ักสร้างทองไปเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้แล้วเขาก็เห็นราศีเล็กๆว่าเอไอ้งาะตัวนี้นี่ยังไงวะเขามองมาไอเงาะตัวนี้นี่แบบๆแบมีรังสีราศีทองมันออกมาแบแบตอนนี้แค่นี้นะ ถ้าเรามีทองจริงแน่นอนมันจะแวบๆออกมาน้าสังทองเงาะนี่มันจะออกมาแฝบๆๆแต่ก่อนว่ามันเอ่งเงาะบ่บาทบ่อยเงาะไอ้ตะกัวนื้เดี๋ยวนี้แฝบๆๆเอียชักแฝบๆๆที่จริงแล้วเราส่งซิกอยู่เรื่อยเนื้อฉันทองนะส่งซิกให้ก็ไม่รู้ตัวไม่สะดุ้งสะเทือนไม่รับรับไม่รู้รู้ไม่รับว่าอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนื้อก็ไม่เป็นไรน้าไม่เป็นไร พูดไปในวิเคราะห์วิจัยให้คุณฟังไว้ในลักษณะของภาษาที่จะบอกว่าความจริงคืออะไรสังคมคืออะไรมนุษย์คืออะไรปฏิกิริยาความประพฤติหรืออะไรแต่ของสังคมมันคืออะไรก็พูดไปอาตมาก็พูดไปไม่รู้พูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคุณฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยเอพูดอะไรก็รู้เรื่องเนาะอ่าดแีแสดงว่าคุณฉลาดเพราะอาตมาพูดอะไรก็รู้เรื่อง พูดโลโลเล่พูดเอาอะไรมาผส ม, มอะไรก็รู้เรื่องเออแสดงว่าฉลาดนะอันนี้ไม่ใช่อัตมาพูดแก่งหรอกอัตมาพูดพยายามให้มันก็จะกระจายอะไรต่รางๆนานาเอาโ่นันนี้มาจับเอาแพะมาชนแกะอะไรต่ตางๆนะเออคุณก็ยังรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้เอาแพะมาชนแกะประเภทที่ไม่มีการต่อเรียบเรียงรวบอะไรบ้างนีมันก็มีเรียบเรียงอยู่เหมือนกันไม่จะพูดอย่างประเภทศสาสตร์เสียเทเสียนะก็พูดอย่างมีมีมเจตนารมณ์ มีมีภูมิบ้างเหมือนกันนะว่าไปก็ไม่อยากชมตัวเองนะ อ, ะอ า, อ า, า <c oughs> คนใจกว้างพูดยังไงก็เข้าใจหมดพวกเราในี่ใจกว้างคนใจกว้างพอพูดยังไงก็เข้าใจหมดนะ <c oughs> ก็รอบรู้นะก็รอบรู้มีความมีปฏิภาณความฉลาดนะ <c oughs> อัตมาก็อยากจะย้ำนะก่อนจะเหลือช่วงสุดท้ายนี้นะบุรณาการเศรษฐกิจ นะแต่ถ้าลืมจิตลืมคุณธรรมแล้วนะยังคงไปกล่ำในโลกีไม่รู้เท่าทันนะไม่สังวรไม่รู้ตัวว่าโอ้ไอ้อย่างนี้นี่มันพาเสื่อมพาต่ำํำนะและก็ไม่สังวรไม่พยายามที่จะกลับมาสู่สภาพนี้เสริมอาตมาว่าทางสังคมทุกวันนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะหาทิศ ท, ทางหาสิ่งที่ดีใช้สมรรถนะความสามารถพรัฒนจอบกู้เศรษฐกิจขึ้นมาก็ดีอยู่ นะก็ดีอัตมาก็มองอยู่ว่า ก, ก็เอาเข้าใจช่วยก็พยายามภาคเพี่ยนนะก็ดูพยายามจะช่วยคนในระดับล่างพยายามที่จะหาเศรษฐกิจอะไรยิงแลนะ้วพยายามที่จะปรับในการปรับข้าราชการลงมาทุกวันนี้เนี่ยเฉลี่ยออกไปเพื่อที่จะแบ่งอํานาจกันสลายขั้ว อ, อานาจที่เข้าไปทาไปเดิมก็ดีแล้วละ่ะก็มีเจตนาแต่มันก็มีภาวะซับซ้อนเอาอํานาจเก่าออกแล้วเากับอานาจใหม่เข้าไปแทนเนี่ยมันจะยิ่งกว่าหรือไม่ เพราะฉะั้นตัวตายตัวแทนในการที่จะจัดสรรการทาพวกนี้เนี่ยมันดีไหมแต่อาตมาว่าทุกคนคงเข้าใจในปัญญาชนทุกคนเข้าใจว่าเมื่อจะถ่ายขั้วอํานาจเนี่ยลักษณะนี้เนี่ยเขามีปัญญามีปฏิภาณพอรู้ว่านี่คือการถ่ายขั้วอํานาจของของของระบบบริหารเมื่อจะถ่ายขั้วอํานาจของระบบบริหารนี่ก็เนี่ยทั้งอำนาจทางทหารอำนาจทางอะไรเขาก็ชิงกันพยายามที่จะทําทอาตมาก็เห็นใจนะว่าคนจะทํางานเนี่ยนะ ถ้าทำงานแล้วเนี่ยคู่พูจะมาทำงานร่วมจะอยู่ในหน่วยไหนหน่วยไหนก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยเราก็ไม่รู้ไม่รู้จักและก็ไว้ใจได้หรือไม่เราไม่รู้จักพื้นฐานเราไม่รู้จักเบื้องหลัเราไม่สนิทสัมพันธ์จะเอามาทำงานร่วมเราก็เสี่ยงนะและไม่สนิทจะทำงานได้ดีขนาดไหนแต่ถ้าเราสนิทกันรู้นิสัยใจคอรู้มือ รู้สมรรถนะรู้จะใช้งานช่องไหนอะไรอะไรต่างๆนานาทั้งเป็นญาติกันทั้งเป็นเพื่อนกันทั้งเป็นผู้ที่ร่วมงานมาด้วยกันจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันใช่ไหมใช่แล้วเราจะตั้งให้มันรับผิดชอบงานนู้นงานนี้มันผิดตรงไหนอ่ะถ้าเป็นญาติ ก, ก็ด่าได้เลยอ่ะอย่างงี้ไม่เอานะผิดนะ แต่ถ้าไปใช้ญาติด่าไปเดี๋ยก็คาฉะนี่ก็ไม่ใช่พอ่อกูนี่วะพี่กูก็ไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมคือเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงอยู่ในตัวแต่เสร็จแลว้วก็แหม่ต้องเอาแต่คนเอาแต่ผู้ที่มีสมรรถนะก็มันไปรู้ได้ยังไงกันนอกจากรู้แล้วเนี่ยถ้าเป็นยากกันจริงจิงมันก็ด่ากันได้จริงๆด้วยอย่างที่ว่าเนี่ยผู้ก็เกรงใจกันได้จริงๆด้วยอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมก็ เ, เห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่ประเทศชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่ากันได้อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉนั้นนี่การธรมาก็เห็นใจนะแล้วก็เข้าใจแล้วก็ทําไมคนพวกนี้เราช่างโอ้โหเนี่ยตั้งพี่ตั้งน้องตั้งเพื่อนฝูงตั้งคนนั้นคนนี้อ๋ออย่างงั้นก็ไปเอาซัดดามาตั้งสิก็มันไว้ใจได้ไหมเราซัดดารู้กันเขาดีขนาดไหนอะหรือว่าใครอ่ะอยู่ในประเทศโน้นประเทศนี้โนเนมเราไม่รู้จักแต่แต่คุณเสนอมาเราก็ต้องรับงั้นเหรอเราไม่รู้จักคุณเลย แล้วคุกยกัเจ้าห้รับมาตําแหน่งรับผิดชอบตจงบริหารจุดนี้อยู่ในหน่วยนี้เป็นผู้คุมควบคุมกลุม่มนี้กลุมนี้โอ้มันคือคนพูดเนี่ยคนเอาวิจัยวิจารณ์อะไรนี่ก็พูดกันไปมันก็น่าเห็นใจนะทุกอย่างมันทํางานยากเนะี่ยทงานเนี่ยคนมันนาน า, นาจิตตังก็นะมันต้องคนของใครด้วยค่าของคนมันก็จะอยู่คนของใครด้วย และคนของใครนั้นเขาจัดสรรถูกไหมคนดีจริงไหมเขาสามารถที่จะคุมได้ไหมอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรู้ของเขาแล้วก็ต้องให้สิทธิเขาหน่อยเขาดูแลในสังคมนี้อะไรต่างๆนานๆอัตมาก็ว่าอัตมามองสังคมมองคนมองอะไรแต่ใดอยู่รู้คนรู้สภาพเศ ร, รษฐกิจสังคมรัฐศาสตร์สังคมาศาสตร์อะไรอัตมาก็ว่าอัตมาพอรู้ พวกคุณอยู <imir> ่กับอาตมาไปอาตมาพูดไปคุยไปอาตมาบอกอย่างเดียวอาตมาเองอาตมาคนยุคนี้อาตมาไม่ได้เรียนตามภาษาคนยุคนี้อาตมาไม่มีความรู้ไม่มีปริญญาไม่ได้ศึกษากับภาษาของยุคนี้เศรษฐศาสตร์ก็ดีรัฐศาสตร์ก็ดีสังคมศาสตร์ก็ดีการศึกษาศาสตร์ก็ดีอะไรศาสตร์ศาสตร์ศาสตร์ก็ดีไม่แต่ศาสตร์กับเสืออาตมาเรียนมาเป็นความรู้มาแต่เก่า จะเป็นวิชาทางด้านรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรศาสตร์สาสตรมาก็ตามอัตมาเรียนมาจากเก่าของเก่าทั้งนั้นเอามาใช่ในยุคนี้เพราะงั้นภาษาร่วมสมัยไม่มีและก็หลักเกณฑ์ที่เขาจัดสรรเขาจะเรียบเรียงจัดสรรเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทฤษฎีเป็น ส, นสูตรเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเขาก็เรียบเรียงกันมาทุกยุคทุกสมัยแล้วค่อยๆปรับมาเรื่อยๆแล้วก็มาเรื่อยมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ยุคอัตมา เพราะสูตรที่อาตมาใช้อยู่นี่สูตรเดิมสูตรที่ใช้แล้วพระพุทธเจ้าใช้ว่าอันนี้มันใช้ได้เป็นสูตรที่สําเร็จนะเป็นสูตรสําเร็จเป็นสูตรที่มีฤทธิ์มีเดชใช้ได้กว้างใช้ได้นานใช้ได้กับคนหลายยุคหรือมากยุคใช้ได้กว้างได้นานนะอาตมาไม่ใช้คําว่าได้ทุกยุคไม่ใช้คําว่าทุกยุคทุกสมัยแต่จะใช้อย่างนั้นก็ยังได้แต่ว่าอาตมาไม่อยากใช้ถึงปานนั้นก็แล้วกันมันใช้ได้แม้แต่ยุคนี้กยังพอใช้ได้ เพราะฉะนั้นจึงเป็นภาษาไม่สอดคล้องกันเทคนิคเขเธอมั่งหลักเกณฑ์มั่งสูตรมั่งทฤษฎีมันไม่เหมือนกันกับที่เขารวบรวมเรียบเรียงไว้ยุคนี้แต่มันมีแก่นมีแกนถ้าในแกนในแกนเขาสูตรแล้วนั้นถ้าเจาะลึกลงไปอาตมาว่ามาตรงกันตรงความหมายสุดท้ายต้องการอะไรอาตมาว่าต้องการตรงกันต้องการความเป็นอยู่สุขต้องการความสงบเรียบร้อยต้องการความเบิกบานร่าเริง ต้องการความอุดมสมบูรณ์อาตมาว่าตรงกันนะตรงกันต้องการการไม่โหดร้ายไม่รุนแรงไม่ทาร้ายไม่เจ็บปวดตรงกันตรงกันหมดนะอาตมาอบอุ่นใจในพวกเราเนี่นะจะไปนในแง่ของโทสะแง่โกรธแค้นแง่รุนแรงแง่าร้ายในสังคมของเราไม่มี มีตบมีตีกันที่โอ๊ยเออเร่อใเปอร์เซ็นจุดศูน์นย์นนึงปีมาแล้วในพวกเรายังเก่งก็จากที่พุทธเ จ, จ้าตรัสไปในพัตตปิฎกยี่กกมีแค่ปากหอบทำร้ายกันจนกทั้งถึงตายทำร้ายจนั่งถึงเลือดตกยางออกในสังคมพวกเราไม่มีกลัวแค้นกันยังไงก็ไม่รุนแรงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในระยะ30ปีมานี้ อาจจะมาดูผลของประชากรอโศกใกล้ๆมีชกหน้ากันเหมือนกันแต่ไม่ถึงเลือดออกชำ้ำมีในระยะสามสิบปีนี่มีรายหนึ่งสองรายมัง้งตรงนั้นเด็กๆอย่าไปถือสามันเด็กมันชกกันเล่นๆมันชกกันพอนวุ่วับมีข้อมูลมาบอกว่า ค่าราชการไทยมีทั้งสิ้น 3.5 ล้านค่าราชการไทยมีทั้งสิ้น 3.5 ล้านขณะที่ประชากรมี62ล้านคนประเทศอังกฤษมีประชากร60ล้านใกล้เคียงของเรามีค่าราชการ5แสนคนประเทศไทยมีพลเมืองพอๆกันกับอังกฤษ62ล้านอังกฤษมี 60, 60. ล้าน คนไทย62ล้านมีข้าราช ก, การ 3.5 ล้านแต่ประเทศอังกฤษเขามี5แสนเจแปนมีพลเมือง120ล้านสองเท่าของเรามีข้าราช ก, การ5แสนคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นงบประมาณประเทศชาติถึงแบ่งไปให้เงินเดือนข้าราชการนี่แวะออกนอกเรื่องเมื่อกี้ พ, พ, พูดว่าเรื่องอะไรอยู่ คุณเอานี่ยืนมาก็เลยไปอีกนอกประเด็นน ะ, นะ เ, นเรื่องชกหน้า เ, นเอานะจะไปพิจารณาเลยเป็นข้อมูลให้รับทราบว่าคือเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่าฉลาดมันไม่ฉลาดแล้วมันนี่ยังข้อมูลบางอย่างเนี่อัตมา ก, ก็ได้หลักฐานหรือได้ข้อมูลไว้สําหรับพูดอีกแล้วโอ้โหมันจะบปวดนะเช่นกรณีอัตมาก็ได้แต่พูดว่าได้ข้อมูลมาเล็กน้อยว่างบประมาณประเทศไทยเกแสนล้านใช่มเก้าแสนล้านงบประมาณแต่ละปี เป็นเงินเดือนเสียเจ็ดนะห้าแสนล้านเอาไปใช้หนี้เสียสองแสนล้านหรือเอามาให้ประชาชนสองแสนล้านนี่เป็นข้อมูลที่อาตมาได้มาเดือนคร่าวๆหลักเก่าๆเพราะงะนั้นในคนในเมืองไทยเนี่ยนะทำมาหากินเนี่ยเอาไปเลี้ยงรขราราชการตัวเองเนี่ยเอาไปเลี้ยงการาชการแล้วช่วยเขาอยู่ลุยยังจะขึ้นเงินเดือนอีกนะ ยิ่ขึ้นอีกใครเป็นข้าราชาการอีกออขอชีน้นาวเองกินเงินของรัฐเนี่ยกินเงินเดือนก็ได้เดือนก็ได้เดือนก็ไ ด, เ ด, ได้เดี๋ยวมันจะเป็นประเทศที่สุดท้ายพอสิ้นเดือนก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วนี่มันยังไม่ถึงเท่านั้นนะประเทศไทยมันยังขูดรีดได้อยู่ขูดรีดจากประชาชนไปให้แก่ข้าราชาการแล้วข้าราชาการตั้งเองทุกอย่างตั้งอัดตรัเงินเดือนตั้งนนท์ตั้ ง, งนี่จะขึ้นจะลดไม่มีลดมีแต่ขึ้นอัตมาพูดแล้วว่าตั้งแต่พศ .75 มาจนกระทั่งถึงป่านนี้เนี่ย เงินเดือนตั้งไว้โจเ๋เตียวนี่มันลดหรืยอยังไม่มีลดไม่มีจะขึ้นซึ่งมันเป็นไปได้ยากสิ่งอย่างนี้มีแต่พวกคนอโศกนี่แหละมาลดเงินเดือนอาตมาถึงดีใจอย่างฟ้ า, าภัยนี่นะโอ้โหเงินเดือนสามพันมาลดลงหนดก็ทั้งรบริษัทเลยลดลงเหลือ25งพเหลือสองพันอาตมาก็ยกตัวอย่างเนี้เพื่อที่จะให้ยั่งยืนเพื่อที่จะให้เจริญขึ้นกว่านี้จเจริญคือลดลงไปอีกนะให้ได้ ในสังคมของเรานี่อาตมาดูแล้วในโทสะมูลก็วัดค่าดูแล้วเนี่ยสาปีมีอาชญากรรมในทางโทสะมูลเท่าไหร่โออาชญากรรมของเราใช้ได้ใช้ได้ในหมายความว่ามันน้อยเออเริมันมีเหมือนกันมันมีบกพร่องมันมีการขาดหกตกดนเสียหายบ้างนี่น้อยค่าขนาดนี้นี่ถือว่ามันธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้ว จะไม่ให้อะไรมันเสื่อมเลยไม่มีหรอกมันก็เสื่อมบ้างมีบกพร่องบ้างมีเ อ, อรเร่บ้างทำมได้ราคาล่ะเออราคาก็มีบทบาทพอสมควรแต่ก็ไม่ได้ดูรุนแรงอะไรมากก็พอเป็นไปค่าขนาดนี้อัตมาว่าก็พอไปดีกว่านี้ได้ก็ดีในความหลงะหลงไห ล, ลคลั่งไคล่หลงอะไรต่ อ, อะไรต่างๆนานาในโลกีเขาพอเป็นไปได้ โลกมันคลั่งใครอะไรข้างนอกกันโอ้โหพอเข้ามาในนี้แล้วมาเป็นประชากรในนี้เรามีมาตรการเรามีหลักเกณฑ์เรามีอะไรแต่ใดเข้ามาคุณจะมาฉบื้อวบฉววาบอยู่ในนี้นี่ไหมไม่มีคนใส่ต่างหูไม่มีคนทาหน้าไม่มีคนไปมีอะไรอย่างโลกโลกเขาเนี้ยโลกียะในทางกามรมารมณ์การมาคุณในทางบริโภคนิยมในทางสุขนิยมอะไรที่พอสมควรเออก็าไม่ให้มาทํางานเสร็จแล้วเป็นไง เมาอำนาจคนนี้เป็นพรชอุสามาใช้ภาษาแล้วนะเป็นผู้รับใช้ลงนะ้าไม่ใช่หัวหน้าหัวโนอะไรหรอกลดลงไปได้ไหมเบ่งอำนาจขนาดไหนแต่ยศได้ตําแหน่งได้ฐานะรับผิดชอบน่นนี่คนนี้เป็นระดับนี้คนนี้เป็นรองคนนี้เป็นผู้เฉารช อ, ช อ, อ, รชอคนนี้รองพอรชออะไรมันก็มีตําแหน่งหลักอะไรเหมือนกันคนนี้เป็นกรรมการคนนี้ไม่เป็นกรรมการเนี่ยอกว่านี้ก็ตั้งกรรมการกันไปอะไรต่างๆมันก็หลงไหลไหม เหอเหมไหมเบ่งอํานาจมาอํานาจไหมรับผิดชอบดีไหมทํางานพอเป็นไปไหมเงินเดือนไม่จางไม่มีรายได้เลยเนี่ยมันไปได้รอดไหมกินอยู่ก็พอกันใช้สอยก็พอกันแต่รับผิดชอบมากกว่าไม่มีสิ่งปลุกเราไม่มีสิ่งกระตุ้นเอาเงินกระตุ้นเอาเห ร, รียญตรากระตุ้นเอายกย่องชมเชยกระตุ้น ก็ไม่มีอะไรกระตุ้นอะไรสักเท่าไรทำงานพอเป็นไปไหมมีสำนึกของตัวเองรับผิดชอบในหน้าที่อาตมาว่าได้ไปพอได้ดีรับผิดชอบกันอยู่รับทำงานแล้วก็เป็นโลเป็นพายเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไระไรซึ่งอาตมาก็ว่าอาตมาตรวจรัฐศาสตร์ตรวจสังคมมันก็พอเป็นไปคนไกลต่างๆ ในการที่จะดําเนินสังคมชนิดนี้ระบบบุญนิยมเนี่ยมันไม่ง่ายนะอยู่ในท่ามการสนามแม่เหล็กของทุนนิยมเสรีแล้วอาตมาก็มีบุญนิยมก็เสรีเหมือนกันแหละแต่กขาถูกเขาข่มเยอะเหมือนกันไม่ไม่ไม่เสรีนะักก็ตกถูกเขาข่มเขา ก, กดเอาไว้เยอะเหมือนกันนะบุญนิยมเสรีเนี่ยแต่ทุนนิยมเสรีมันมีลังสีเสรีเขาเขามากกว่า นอกจากเสรียังมีตัวกูของกูเยอะกว่าอีกเหมือนกันก็พอไปได้นะอาตมาก็ว่ามีอัตราการก้าวหน้ามีการเจริญไปในตัวพอสมควรพูดมาถึงตรงนี้แล้วอาตมาจริงๆละลึกขอบคุณพวกคุณทุกคนจริงๆแต่ละคนแต่ละคนคุณทำเพื่อตัวเองด้วยแต่ผลของศาสนาพวกนี้เราทำเพื่อตัวเองแต่มันมีผลเหมือนเหรียญสองด้านจริงๆทันที มันมีผลต่อสังคมทันทีผลของเราทำให้แก่ตนคืออะไรคือลดความเห็นแก่ตัวสรุปง่ายๆลดความเห็นแก่ตัวมันก็ไปเพื่อของผู้อื่นเพราะลัทธิพุทธไม่สะสมอปัจยะไม่กักเก็บเมื่อไม่เห็นแก่ตัวและก็ไม่ได้สอนให้อยู่เฉยๆไม่ใช่ลัทธิอยู่เฉยๆนิ่งๆลัทธิให้ขยันลัทธิให้ทำงานลัทธิมีกับสมากมันตะสม า, สม า, สมาอาชีวะ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดบทบาทผลงานไม่ได้ไปหาพาทำในเรื่องงานที่เป็นอนนวัชะก็ไม่ใช่อะไรนะงานงานมันมีโทษนะอนวัถุนี้แหละอนวัตชะการงานที่มีโทษไม่ได้พาไปทำงานก า, การงานอันมีโทษทำงานที่เป็นคุณเป็นค่าเป็นประโยชน์ซึ่งก็มองเหมือนกันว่างานนี้เนี่ยเ ป, เป็นงานที่เป็นดิมานของสังคมหรือไม่ หรือเป็นงานที่จําเป็นสําคัญหรือไม่หลายอย่างไม่ดีมาขมมมมนของสังคมมันไม่มีหรอกเช่นมาสอนสัจธรรมอย่างงี้ที่จริงลึกๆจริงๆมีนะดีมานสังคมแต่พฤติกรรมของสามัญของพฤติกรรมของสามัญเป็นความต้องการเป็นดีมานเป็นอุปทานของสังเป็นอุปสงค์ของสังคมมันในผิวของอุปสงค์สังคมมันไม่มีแต่ลึกๆอาตมาว่ามันเป็นอุปสงค์ลึกๆ มันเป็นความต้องการของสังคมอย่างมากเลยที่จะสอนมนุษย์ให้มีคุณธรรมเนี่ยแต่เขาไม่รู้เขาไปมัวหลงแต่วัตถุเป็นดิมานทางวัตถุหมดอาตมาก็ว่าเออนี่ดูดูสังคมกลุ่มของพวกเราแล้วเนี่ยจะมีไหมมันมี ไ, มมมได้แต่ธรรมไม่ได้กระทําสิ่งดัง่นี้สอดคล้องกับสิ่งที่เป็นจริงในสังคมที่ควรจะบูรณาการไหมมันเป็นจริง มันสอดคล้องกับสังคมที่ควรจะบูรณาการอย่างนี้แหละแต่เขายังรู้ไม่ทันไม่เป็นไรเขารู้ไม่ทันเราก็ทําทําไปเรื่อยๆแล้วอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาเห็นอัตราการก้าวหน้าอยู่เพราะฉะนั้นพวกเราทําแต่ละคนแต่ละคนเป็นประโยชน์ตนมันเป็นประโยชน์ท่านทันทีเพราะฉะนั้นหลายๆคนรวมกันก็เป็นสิ่งที่รวมประโยชน์ท่านมันมองไม่เห็นที่มองไม่เห็นเพราะอะไร ในทางตาตื้นนี่เขาก็บอกว่าคนนี้เศรษฐกิจดีเพราะว่าคนนี้มีร้อยคนนี้มีพันคนนี้มีหมื่นคนนี้มีแส น, น 100, เขาวัดค่าอันนั้นแต่ของสังคมบุญยมเป็นยังไงคนนี้ทําทันทีสมรรถนะพันหนึ่งออกไปแ800ดร้อกินใช้เท่านั้นกินใช้มันก็หมดไปในตัวเพราะฉะนั้นมันไม่มีรูปของเหลือร้อยเหลือพันเหลือหมื่นทันทีมันฟังคําว่าทันทีให้เห็นนะ คำว่าทันทีมันไม่มีรูปที่เหลือของบุญนิยมเพราะฉะนั้นคนก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันให้แก่สังคมตรงไหนก็มันหายไปทันทีมันให้ทันทีอะคุณฆ่าสมรรถนะคุณทาทันทีขยันทาวันนี้คุณก็ทำงานเสร็จแล้วคุณไม่ได้รับอะไรมาเลยวินาทีนี้ไม่ได้รับวันก็ไม่ได้รับรายอาทิตย์รายเดือนรายปีคุณก็ไม่ได้รับมาเป็นวัตถุรูปไม่ได้รับแลกเปลี่ยนกลับมาเลยให้ไปทันทีแล้ว ส่วนทั้งโลกอย่างน้อยคุณก็มาไว้กระตัวซะก่อนรับมาแล้วคุณจะเอาไปกินเล่าพรุ่งนี้หมดก็ตามคุณว่าไว้วันหนึ่งคุณเอาประกอบไปกองเอาไว้คุณก็ไปไว้หลายวันคุณก็กองเป็นเดือนคุณไปกองเป็นปีมันก็เป็นรูปธรรมคุณก็อ่านเศรษฐกิจจากรูปธรรมที่เหลือค่าเศรษฐกิจคุณอ่านจากรูปธรรมที่เหลือแต่บุญนิยมมันไม่ไม่มีรูปธรรมให้คุณอ่านเศรษฐกิจคุณอ่านไม่เป็นแต่อัตมาอ่านเป็นฟังให้ชัดนะ วันนี้อาตมาเนี่ยสอนบูรณาการเศรษฐกิจที่ลึกให้คุณฟังมันอ่านไม่ันมันอ่านไม่ง่ายมันอ่านคุณอ่านเป็นคุณก็อ่านได้แต่คุณอ่านไม่เป็นคุณไม่มีอะไรให้คุณอ่านเพราะเป็นนา ม, มาทํมและมันซับเดนลี่มันทันทีทันใดมันหายไปแล้วใช่ไหม <c oughs> บุคคลก็ไม่มีอามากงวิธีบ้านก็ไม่มีฝากแบง์ก็ไม่มี เอาไปซื้อทองซื้อเพชรมาอวดว่าฉันมีก็ไม่มีอะไรมาโชว์เลยหลายคนอาจจะฝากแบ่งไว้แล้วไม่บอกอาตมาไม่ซื้อทองไม่เอาแล้วทองเพชรท่านเห็นฝากแบงไว้แล้วมาใส่หน้ากึยงๆท่านไม่รู้แบงมีเท่าไหร่นี่อาตมาก็พูดไปจะจะรู้สึกไหมหรือเปล่าก็ไม่รู้แหละแล้วแต่เออ เพราะงั้นการมองการอ่านเศรษฐกิจการอ่านรูปธรรมนามธรรมพวกนี้มันก็มีจริงของสัจธรรมถ้าคัทเรียนรู้แล้วคุณก็มาดูเพราะในของพวกเราเนี่ยถึงบอกว่าเขาบอกว่า เ, เศรษฐกิจพวกนี้มันไม่ดีหรอกมันไม่มีก็ใช่ไม่มีแล้วเราจะต้องขาดทุนด้วยนะนั่นแหละโอ้โหปรัชญานโยบายมันรายกาดนั่ที่นี่บริษัท ต, ตั้งขึ้นมาต้องขาดทุนให้ได้ทุกปีทุกปีแต่อยู่รอดนะเงื่อนไขว่าคุณอยู่ คุณขาดทุนแล้วคุณต้องอยู่รอดต้องไปได้เรื่อยๆไม่ต้องอยั่งยืนด้วยแต่ขาดทุนทุกปีต้องอยั่งยืนด้วยนี่เป็นเศรษฐกิจบุญนิยมแต่ทางโลกไม่ได้ขาดทุนมันก็อยู่ไม่รอดสิอยู่ไม่ได้สิใช่ของเขาเพราะเขาเก่งแค่นั้นแต่เขาเราเก่งกว่านั้นบริษัทต้องขาดทุนทุกปีแล้วอยู่ได้มันมีวิธีอะไรวะเออพาณิชศาสตร์ของมันอะไรวะธุรกิจของมันอะไรวะเนี่ยมันมอยู่ได้ยังไง แล้วไม่ได้โกงไม่ได้กินสุจริตด้วยซื่อสัตว์ด้วยมีวิธีทา ม, มีวิธีทาด้วยนะอยู่รอดเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นก็จริงขาดทุนอยู่ได้แต่ขาดบุญอยู่ไม่ได้เพราะเรามีบุญบุญนิยมมีบุญกันจริงจริง มีการเสียสละสร้างสรรค์เสียสระคําว่าสร้างสรร์และเสียสระสองคำนี้ ย, ยิ่งใหญ่ที่สุดเรามีสร้างสรรค์จริงๆมีการสรร์เลือกสรรค์สิ่งที่สร้างให้ถูกต้องตามกาละตามความเป็นจริงรู้จักดีมาน ร, รู้จักสัพพลายอย่างแท้จริงแล้วเราก็สร้างสร้างอย่างสรรค์แล้วเราก็เสียสระเกื้อกูลเอื้อเฟื้ออยู่จริง แล้วเราก็เห็นอาตมานี่แหละเห็นชัดๆอยู่เลยว่าเอออันนี้นมันจะกอบกู้โลกทุนนิยมเสรีนี่มันมันยิ่งเลวยิ่งร้ายยิ่งซับซ้อนยิ่งรุนแรงยิ่งกว้างขวางนี่มันแพร่กระจายรัศมีทุนนิยมเสรีมันเสรีมันก็ไม่มีที่กันมันออกไปทั่วโลกแล้วแล้วมันก็พยายามไปแผ่อิทธิพลในระบบของเขาในอำนาจของเขาอำนาจเศรษฐกิจนี่แหละมันก็จะไปดูดไปเอาเปรียบเอารัดตามค า, าแรคเตอร์ของ เศรษฐกิจทุนนิยมนั่นแหละตามบุคลิกของเศรษฐกิจทุนนิยมนั่นแหละมันก็จะไปเอาเปรียบเอารัดเขาไปทั้งหมดเลยอาตมาก็ดูฟังเขาโอ้ยเขาจะซอยรายละเอียดลึกซึ้งอะไรต่างๆนานาแม้หมวานี่มาพูดถึงทอกแกะทอเกิดอะไรต่างๆนานาทำสัญญากับประเทศนั้นประเทศนี้ขาดทุนกำไรดูแล้วมันก็เรื่องของมนุษย์แท้ๆเลย ต่างคนก็ต่างจะเอาเปรียบไอคนที่จะไม่รู้ว่าเสียเปรียบทำสัญญาเสียเปรียบก็รู้แต่ไม่เป็นไรแหละกูได้เปรียบซ้อนเห็นมากูได้เปรียบประเทศเสียเปรียบช่างหัวมันมันเลวขนาดไหนล่ะคนะที่อาตมาเทศมาก็เห็นแล้วว่าพวกเราเนี่ยก็ดำเนินตามที่สังคมเขาอยากจะเป็นอยากจะได้ไ น, ไนั่นแหละแต่เขาไม่รู้เพราะเราก็ทำอย่างที่เราทำ เราก็อยากจะได้อยากจะรู้ได้ทั้งประโยชน์ของเราแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมไปด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ท่านของพระพุทธเจ้านี่อย่างอาตมายืนยันอธิบายแล้วว่าประโยชน์ตนจริงๆแล้วนี่มันเป็นประโยชน์ท่านทันทีนะประโยชน์ท่านทันทีเพระาะฉะนั้นเราเองเราลดความเห็นแกตตัวแล้วเราก็เสียสละ ท, ทันทีมันจะเร็วมันจะมีภาวะที่เร็วอย่างที่ว่าเนี่ยมันโอโหมันมันไม่มีอะไรให้อ่านนะเพราะฉะนั้นคนจึงรู้ยากว่าไอ้นี่เศรษฐกิจดีอะไร แม้แต่ในหมู่กลุ่มของเราชุมชนของพวกเราก็พยายามสะพัดออกให้เร็วด้วยจะมีไว้คงครังหรืจะมีไว้หไวเหลือไว้สำหรับที่จะดาเนินการหมุนเวียนทันงานใช้งานพอไม่ให้มันไม่ให้มันขาดตอนไม่ให้มันขัดเคิรนไม่ให้มันรันชอ็อตบ้างก็เท่านั้นเองแล้วก็คำนวณให้แม่นว่าเราเองไม่รันชอ็อตนอกจากนั้นก็ไม่มีปัญหาถึงแม้จะรันชอ็อตเราก็มีการมีการเกื้อมีการหนุน เพราะฉะนั้นก็มีการมีเงินเกือ้อนะมีกองทุนที่จะให้ไปเกื้อมาไดนะ้เราใช้คําว่าเกือ้อแทนกู้ได้สนิทนะเราจะไปเกื้อมาไดนะ้เพราะว่าเกื้อมานี่นะเกื้อมาเท่าไรเกื้อมาสองล้านนะไม่เสียดอกการเกื้อไม่มีดอกเบีย้ยมีแต่ดอกบุญเป็นการอุดหนุนกันเพราะฉะนั้นเราเกื้อมาเสร็จแล้วก็เป็นหนุนซะสองล้าน ไม่เป็นหนี้เป็นหนุนเพราะว่าท่านหนุนไว้ให้ท่านหนุนเราไว้ให้สองล้านเราก็เป็นหนุนอยู่เป็นหนุนอยู่เท่าไรตอนนี้เป็นหนุนอยู่เท่านั้นต่านี้มันน่าจะบันทึกรายงานพราะ น, น้ีขณะนี้ทําบัญชีของพวกเราในเขียนให้พวกสรพปรกรณในพวกนักบัญชีเนี่ยงงเล่นใช้ภาษาของเรายังมีเงินหนุนอยู่เท่านี้วันนี้ไปเกืือมาเท่านี้ก็ เ, เมา อะไรข้องมันวะแต่พนิยามเสร็จแล้วนี่เขาจะเข้าใจทันทีเหมือนกันยิ่งเรียนมาเป็นด็อกเตอร์บอกว่าไอ้คาว่าเกลือนี่แทนคําว่ากู้แต่นิยามแล้วเกลือมันไม่มีดอกเบีย้ยมันเป็นเงินช่วยเหลือกันจริงๆหนุนนี่ก็คือความเป็นหนี้แต่มันไม่ใช่หนี้เพราะมันไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยมันจะต้องเอาไปคืนเขาจริงๆหนุนนี่ต้องคืนเขานะไม่ใช่นหนีเงาเนะไม่ใช่ NPL นะหนุนไม่มี NPL นะ เออใช่ในโลกการทุกโรคตัวนิยมแล้วก็มาถึงพาจีพายอัตอมาถึงบอกว่ามาเลิกมาต้องเครดิตเนือเครดิตต้องเลิกต้องสดงดเชื่อเบือ่อทวงปวดท้องนะต้องขายสดงดเชื่อเบือ่อทวงปวดท้องไม่ได้แล้วก็โหทุกมันทุกใครว่าปวดท้องไม่ทุกมีไหมในโลกอะแค่ปวดท้องขี้ยังทุกเลยเพราะงันปวดท้องออื่นก็ทุกทั้งนั้นแหละยิ่งปวดท้องออกรุ่นไปถามผู้หญิงเลยอ เอาละอาตมาพูดไปพูดมา6กโมงแล้วนะว่าจะสรุปเป็นลบเป็นภายก็สนุกพอสุดท้ายนี่คือลีลาอาตมาในตอนแรกๆนี่จะรู้สึกเคร่งเครียพอเรามาแล้วก็คลายนี่นะหลายคนก็จะวิธีการของเขาเริ่มต้นก็สนุกสนุกแล้วก็เครียดทีหลังทงอาตมาเนี่เครียดตอนตอนนั้นแลคลายทีหลังพอตอนหลังก็เลยต่อไปได้อีกเพราะหมดคลาย ของอาตมาว่าม en. ันจะตายต่อไปอีกแต่ถ้าบอกว่าคลายก่อนแล้วค่อยคลียร์ตอหลังมันจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหยุดเถอะมันจะได้สั้นมันลักษณะต่างกันวิธีการลักษณะต่างกันเหมือลักษณะคนที่ผอมัเล่นมันเดิมต้นครับสโนกอนแล้วก็ค่อยเคลียร์ไปเคลียไปนเก่งเกไปเดี๋ยวมันจะตื้มันจะตันมันจะไปไม่รอดละแล้วค่อยคลายเออใช่ คนนี้เก่งภาษานะมันเขานะคลายก่อนแล้วก็เครียดของอตาตมาในเครียดแล้วค่อยคลายนะต้นก็ตั้งเรื่องตั้งหลักแล้วไปโพสต์ตาแล้วก็คยคลายจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะได้ไปนานนานจนเลยเวลาได้อะถ้าลักษณะคลายก่อนแล้วไปเครียดนะเลยนี่ไม่ได้คนจะตายคนไม่ได้หรอกคนจะต้องถูกหยุดหยุดหยุดไม่จะตายแล้วอ่ะมันจะไม่ยอมแต่คนอาตมานีนเขาจะยอมเพราะอตาตมาเรืได้กําไรเรื่อยเลยเวลาได้ไปเรื่อยๆนี่ก็เลยไปสองนาทีสนาทีแล้วนะ 阿拉ก็ขอบคุณทุกคนนะที่พยายามขอบคุณจริงๆเพราะอาตมาเองคนเดียวทํางานไม่ได้ทําอะไรไม่ได้หรอกทาอะไรดีอะไรเด่นอะไรไม่ได้หรอกเนี่ยมันต้องไปด้วยกันเป็นสังคมร่วมมื อ, อต้องเป็นสังคมร่วมมืออย่างแท้จริงที่เราจะต้องทําอะไรใดร่วมกันและอย่าไปคิดถึงแม้ใครจะเก่งอย่างไรก็มาบอกกัน ถ้าเราเก่งเราดีจริงเราบอกและคนอื่นยอมรับเข้าใจและทุกอย่างสะดวกง่ายและเป็นพลังรวมมีพลังสูงพลังแรงพลังรวมนี้เป็นพลังสูงพลังแรงเป็นหนึ่งเดียวและเป็นสิ่งที่มีอํานาจในตัวของมันเองทุกอย่างก็จะไปได้เร็วไปได้แรงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตัวเราเองแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละเป็นสําคัญต้องพยายามพัฒนาตนเองอยา่าเสียเวลาพระเจา้าท่านไม่สรรเสริญการหยุดอยู่การแชนะ่การอยู่ติดแป้น ท่านไม่สันเซินเลยท่านสันเซินวุทธิวุทธิวุทธิต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะแม้แต่ที่สุดผู้เป็นอรหันต์แล้วอรหัตผลแล้วนั้นท่านยิ่งรู้ว่าโอ้เวลามีเป็นของมีค่าเวลาควรจะสร้างสรรค์อะไรอะไรต่างๆนัานนาอาตมาทราบซึ่งพระพุทธเจ้าแม้แต่ที่สุดจะปรินิพพานคุณคิดดูสิว่าคนตายนี่มัน ย, ยังมีต่อนะคนสามัญหรือพระอริยะที่ไม่ใช่พ ร, ระพุทธเจ้าเนี่ยเอ า, าพระอรหันต์บางองค์ก็ตามที่ยังไม่จบ พบจบชาติตายแล้วยังมีต่อนะมันก็แล้วไปเถอนะนะมันก็จะต้องคํานึงถึงสิ่งที่เป็นกุศลอะไรต่างๆในข้างหน้าที่จะเป็นผลนี่ตายแล้วไม่ต้องต่อพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานตายแล้วไม่ต่อท่านยังอุตส่าห์ตายคนเราจะตายเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดในคุณเดาอะไรมันจะคงจะเจ็บจะปวดจะหัวหายใจก็ยังไม่อลาก็แล้วแต่เถอะท่านยังอุตส่าห์มาสอนพัฒน์แก่พัฒน์แก่และพัฒนุ่มพัฒนุ่มสิ สอนพระทาหนุ่มเป็นองค์สุดท้ายต้องขนขวายสอนจนเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายสร้างประโยชน์จนหยดสุดท้ายจริงๆเลยเห็นแก่ผู้อื่นไม่ได้มันทุกข์ของตนเองนะมันไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อวิบากกูสอวิบากข้างหน้าก็ไม่มีท่านปรินิพานอะ่ะพอ ป, ป, ปรินิพานก็ทุกอย่างจบไปแล้วท่านหมดทุกอย่างแล้วอัตมาท่านทราบซึ้งว่าโอ้โหท่านเพื่อมนุษย์จริงๆแม้หยดสุดท้าย ท่านก็เพื่อมนุษย์ทั้งนั้นนี่คือคุณลักษณะอันสุดยอดวิเศษประเสริฐของมนุษยชาติเพราะคนเราเกิดมาไม่มีเพื่ออะไรหรอกเพื่อคนอื่นเ้าตัวเราเนี่ยมันพึ่งตนเองได้แล้วเหลือเฟือแล้วคนอื่นก็มาเกื้อหนุนไว้ได้แล้วคนอื่นเห็นคุณค่าของเราเขาก็เกื้อหนุนไว้เองเพราะฉะนั้นเรื่องแต่ชีวิตจะยั่งอยู่นะไม่มีปัญหาหรอกนอกจากก็มีแต่ทางานอะไรที่เราจะสร้างสารรค์เกือ้อกูลคนอื่นได้โดยประสิทธิภาพของเราสมรรถนะของเราเท่านั้นเอง ในความเป็นมนุษย์เกิดมาอาตมาสรุปมันไม่เห็นอะไรเลยเพราะอาตมาถึงบอกอาตมาพอใจเต็มใจที่จะเป็นโพธิสัตว์ต่อไปแล้วก็จะเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วก็นําพากันพวกเราให้ไปเป็นคนชนิดนี้แหละเกิดมามันก็เท่านั้นเองไปหลงเสพหลงติดหลงอะไรเทไรนึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันไม่ใช่หรอกมันทุกข์สภาวะธรรมดาเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องจริงมันหนักหน่อยมันเมื่อยหน่อยมันลําบากหน่อยมันก็เท่านั้นเองหรือพลังงานของเราใช้ไปมากมันก็ เมันก็เหนื่อยเราก็ต้องเข็นออกมานิดหน่อยหรือวันนี้ลาบากหน่อยก็เท่านั้นเองถ้าพอทําได้ก็ทําอย่าให้มันทรมานอย่าให้มันทําลายเรามากเกินไปนักมันก็ไม่ดีอัดตักเกลียวปานโยก็ไม่ดีก็เท่านั้นเองแล้วเราก็ยังชีวิตไปเพื่อเป็นประโยชน์คุณค่าแก่ผู้อื่นสําหรับเราก็ท่านั้นเองเมื่อเสพน้อยติดน้อยหรือไม่ติดเลยไม่เสพไม่ติดอะไรทุกอย่างก็กลางๆจะกินจะอยู่จะใช้จะมีนุ่นมีนี่ก็เข้าใจเบิกบานราเริง ทำอะไรดีๆมันก็น่าเบิกบานน่ารา่าเริงน่าดีใจทั้งนั้นอะไรดีๆทำไรไม่ดีก็เออสะดุดหน่อยเสร็จแล้วก็สังวรใหม่แก้ไขปรับปรุงตัวเองไปไปไปไปไปอาตมาว่าง่ายๆแต่มันยากตรงที่คนไม่ตั้งใจทำถ้าตั้งใจทำภาคเพียยนทำก็จะได้เจริญขึ้นมาเรื่อยๆประโยชน์ตนมีประโยช น, ยชน์ท่านก็จะมีด้วยนะอาละเอวัง